พระอาจารย์ครับอะจะเจริญพรจ่าตระวัศการครับพระอาจารย์ครับต่างชนบุรีจะล็อกดาวน์แล้วเหรอครับผมได้ยินข่าวเชนั้นก็ไม่ต่างกันสาหรับพระเราเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วแล้วบินธบัตพระอาจารย์นะครับผมก็อย่างเดิมบ็นธบาตเหมือนเ ด, เดิมได้ไ ท, ท, ไทำไมบินธบาตก็นล่ะจะทําะไรไม่มีกิน ไม่มีกินพ ะ, ะาสาเป็นข้อวัดของของพระป่าเลยใช่ไหมครับที่ต้องบินพ บ, บาทฉันเก้พาพระทุกรูปมันไม่ใช่จากพระพระป่าเป็นข้อทีุ่ทข้อวัดที่พระเจ้าทรงมอบให้วันที่บวชเลยมนีนิ ส, สัยสี่กิจที่พระเพื่อกระทำสี่อย่งนหนึ่งินญ บ, บาตเป็นเดีนงชีพเป็นวัดสองอใช้ป้าบางสุบุญเป็นวัด สามอยู่ป่าเป็นวัดอยู่คนไม้อยู่ตามคนไม้เป็นวัดและสี่ดื่มน้ำมุดน้ำมูดดองเป็นเป็นยารักษาโรคนี่คือปัจจัยสี่ของของพระที่ให้คนข<อ>ยข<อ>ยหาได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปรบกนพูด อาจารย์ก็เลยยังต้องบินท บ, บาทอยู่ตลอดเ <laughs> นอกจากว่าทางการก็ห้ามก็ต้องทำตามทางการกซึ่งเมื่อปีที่แล้วตอนตอนที่เริ่มมีโรคระบาดก็มีการสื่อสารผิดพลาดเขาเขาแจ้งมาให้กับทางวัดว่าทางบ้านอำเภอขอไม่อน้ญาตยมไม่ให้พาไปบินท บ, บาทอ๋อก oh. ็เลยไม่ได้ไปแต่มาทราบภายหล ว, ว่าทางหนูบ้านเขาไม่ได้ห้ามเป็นเพียงแต่ อาทางพระท่านเจ้าคณะตํำบลท่านออกประกาศมาท่านนั่นเองครับผมช่วงนั้นก็เลยต้องอยู่วัดกันแล้วระญาติโยมก็ต้องนาอาหารมาถวายที่มาแทนครับครัผมงั้นผมขอโอกาสพระอาจารย์กราบเรียนถามคำถามกับผมคำถามแรกนะครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าปิดอบายตลอดการทําอย่างไรนะครับเหตุผลก็เพราะว่า ผมปรับใดที่คือทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนจะอยากมีความสุขหนีทุกข์หมดทุกคนนะครับแต่ด้วยชีวิตประจําวันเนี่ยบางคนก็ต้องต่อเวรเกาะกรรมอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็คงจะพลาดไปบ้างที่จะต้องทําผิดทําผิดศีลแล้วก็อาจจะตกไปอบายครับในทางพุทธศาสนานี่มีวิธีการไหมครับพระอาจารย์ที่เราจะจําองชีวิตอยู่โดยต่อไปภายภาคหน้าเราไม่ต้องไปอาบายอีกแล้วครับก็ต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปท่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการกระทำบาปนี้เป็นเหตุที่นำไปสู่การไปเกิดในอบายเมื่อท่านเห็นดังนั้นแล้วท่านก็จะไม่ทำบาปเพราะเห็นว่าการทำบาปถึงแม้จะได้ผลประโยชน์มาก็ไม่คุ้มเท่ากับผลเสียที่จะตามมาคือต้องไปเกิดในอบายสี่สถาน ไปกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายนันไปนรกนั่นเองนั่นพระอริยบุคคลทุกๆรูปนี้จะไม่ทาบาปโดยเด็ดขาดครับผมก็คือมีวิธีเดียวต้องเป็นพระอริยบุคคลให้ได้ใช่เพราะถ้ายังไม่เป็นพระอริยบุคคลยังลูปคําอยู่ยังไม่มั่นใจว่าการทำบาปนี้เป็นเหตุให้เกิดในอบายจริงหรือไม่ แล้วก็อบายมีจริงหรือไม่เนี่ยบางนนคนบางคยก็อาจจะไม่เชื่อว่าตายแล้วอาจจะต้องไปเกิดต่อเขาอาจจะคิดว่าตา ย, ลย<ะ>แล้วศูนย์ดัง้นเราจะทําบาปถ้าทาบาปก็รับใช้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เช่ทนทําผิดกฎหมายก็อา จ, จะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไป<ะ>แต่หลัลงจากที่ตายไปแล้วใครเป็นผู้ไปรับผลบาปเขาไม่รู้ว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีใจอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปเกิดในอบายต่อไปถ้าทําบาปอันนี้พระสุดาบันนี้ิพระอริยบุคคลยุกประดับนี้จะเห็นตัวจิตเห็นตัวกรรมที่ทําให้จิตไปเกิดในภพภูมิต่างๆอย่างชัดเจนก็เลยท่านก็เลยจะไม่ทําบาปโดยเร็งขาดเพราะได้ไม่คุ้มเสียหรือว่าได้ได้มาล้อยก็ต้องไปใช้แสนหนึ่งเนี่ยไม่เอาดีกว่า โทษหนักกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำบางแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นพระโสดาบันได้ครับอาจารย์ครับก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารักษาศีลถึงแม้ว่าจะไม่บริสุดตลอดเวลาก็รักษาให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยก็ต้องศีลแปดขึ้นไปด้วยสาหรับผู้ที่จะพอต้องไปอาศัยศีลแปดเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติสมาธิ ให้จิตกิดูเบกขาให้มีพลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไปเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่กิเลสต้องการนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยมได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียไปเได้มาก็ดีใจมีความสุข แต่ต่อไปไม่ช้าก็เลยก็ต้องมีการสูญเสียมีการพัดพลาดจากกันดัง น, นั้นก็จะกลายเป็นความถูกข์ไปถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาห้ามการพัดพราดจากกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายในอำนาจของใครที่จะรักษาให้คงเส้นคงวาให้อยู่กับทนไปได้ตลอดพอาเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรับอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะห้ามใจ ด้วยอุเบกขาได้อินนยญาโยมืจะเห็นว่าเป็นตายรักแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ห้ามใจไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากขึ้นต้นดันั้นต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนให้จิตได้อุเบกขาสามารถหยุดตัวจิตหยุดกิเลสได้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นถึงเหตุผลของการ ไม่ก็ทำตามความอยากทาตามเกเรว่ามีมีประโยชน์กท็ทำตามทาตามเกเรแล้วจะต้องเจอความทุกข์มาชติก็เล้วก็จะเป็นโสดาบันได้เป็นป้าระยบคุคคลได้ังินพยายามฝึกรักษาศีฝึกนั่งสมาธิฝึกเจริญสติวสติเป็นเหตุที่ทำให้ได้สมาธิ แล้วพอได้สมาธิก็พยายามหมั่นสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างใ น, นี่ยต้องไม่เทียมจะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปอนัตตาไม่ใช่ของเราควบคุมมาเข้าเขาไม่ได้นะให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ด้เห็นดงนี้เราก็ก็จะฝืนความอยากได้อยากได้ราบยศเสริญสุดในโลกนี้ก็ไม่เอาเพราเห็นว่าได้ลาบก็ต้องเสื่อมราบได้ยศก็ต้องเสื่อมยศ ได้สลเสร็จก็ต้องได้ดินทาได้สุขก็ต้องได้ทุกข์ก็จะสามารถยับยั้งใจไม่ให้ไปสวงหาโลกกระทำได้ <c oughs> อยู่แบบไม่มีอะไรหน้ายังมีความสุขครับผมกับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมจะขออนุญาต ก, กับเรียนถามอาจารย์แทนเพื่อนๆนที่เข้ามานะครับจากคุณป้าเพนนบครับดูข่าวโควิดแล้วรู้สึกหดหู่มากๆควรทำยังไงคะ ควรปางใจอุเบกขาหรืออย่างไรดีขอบคุณค่ะคือถ้าเป็นไปได้อย่าไปดูมันสิดูแล้วมันทำให้เราหดหูใจก็อย่าไปดูมันบางทีดูแล้วมันไม่สบายใจก็ถ้าเราไม่สามารถทําใจให้เป็นอุเบกขาได้เราก็ปิดตาเสียปิดหูเสียอย่าไปรับรู้มันรับรู้มันก็ไม่ได้ทําให้เราเปลี่ยนแปลงอะไร รับรู้ก็รับรู้เฉพาะเหตุที่เรื่องที่ควรจะรู้เช่นวิธีรักษาตัวป้องกันตัวของเราให้รับกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆท่านั้นเองถ้ามีอุเบกขาเราก็สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้และก็วางเฉยได้แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเนี้เราจะวางเฉยไม่ได้เราจะมีความรู้สึกกดหัวใจอยู่เรื่อยๆ งั้นบางทีพอรู้สึกหดหูใจก็ควระงับการรับรู้บ้างจะได้ทำให้ใจเราหายหดหูได้ช่วงครั้งชั่วคราบดีกว่าหดหตลอดทั้งวันทั้งคืนต้องสำรวมตาหูจมุกเล่นกายอย่าไปรับรู้มากเกินไปรู้เท่าที่จำเป็นที่จะต้องรู้ดีกว่า พอดีคำถามโดนรีเฟลชใหม่บางข้อหายไปผมขออนุญาตอ่านนะครับอาจารย์ครับจากคุณวีนาเลิกสกุลวัฒนูกราบขออนุญาตเรียนถามผ้ า, าจาย์ว่าเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานต่างกันอย่างไรวิธีแก้ไขก่อนที่เขาจะตายค่ะคือมันเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ที่เกิดจากเหตุคือบาป ท, ที่ทำต่างกันเช่น ถ้าทำบาปด้วยความหลงนี่ดวงวัญญานี้ก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ไม่รู้ผิดถูกดีชั่วเขาไม่รู้ว่ามีบาปนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเนี่อันนี้ก็จะเวลาทำบาปด้วยความหลงเช่นทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นอาชีพจําเป็นจะต้องยึดตัวเอง แต่มันเป็นบาป จ, จะว่าไม่เป็นไรก็มันก็ไม่ได้ห้ามผลของบาปที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ดวงวิญญาณนี้ไปได้ร่างกายของสัตว์เลร้ยงล่าถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆ อ, อยากมีมากๆอยากร่ำอยากรวยอยากอะไรต่างๆนี้ถ้าทำบาปด้วยความโลภดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย เพราะว่าความโลภนี้ได้อะไรก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วพอทําบาปมันก็จะทําให้ดวงวิญญาณ น, นี้หิวโหยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีความสุขะดวงวิญญาณชนิดนี้เราเรียกว่าเปร่าพวกนี้แหละที่จะต้องมาคอยอาศัยบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่แบ่งปันไปให้ส่วนดวงวิญญาณที่ทําบาปด้วยความกลัว พ อ, อ ก, กลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไปฆ่าไปทำรายเขาก่อนอันนี้ก็จะทำให้เป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวสะดุ้งผวาอยู่ตลอดเวลาส่วนชนิดที่สี่คือนรกก็เป็นดวงวิญญาณที่ทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความแค้นความพยาบาทมีแต่ความรุ่มร้อนภายในใจิตใจตลอดเวลา เหมือนมีไฟน่าไฟ่าลมาเผาใจอยู่ตลอดเวลานี่คือลักษณะของดนงวิญญาณต่างๆที่เกิดจากการทำบาปที่มีสาเหตุต่างกันไปทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดลชานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทาบาปด้วย ด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็จะไปนรกเราดูวิญญาณพวกนี้เขาเสพเสพความกลัวความโลภความอาฆาตพยาบาทย่างไงก็เขาก็จะมีแต่เรื่องราวเหมือนฝันร้ายฝันร้ายว่าตนเองนี่หิวโหยอดอยากขาดแคลนถ้าเป็นเปรตหรือว่าฝันร้ายว่าตนเองนี่ต้องไปเจอภัยต่างๆที่จะมาคอยลุมทำลายตนเอง สร้างความหวาดกลัวให้ตลอดเวลาก็เป็นนสุรกายถ้าฝันว่าเป็นมีเรื่องมีราวกับคนนั่นคนนี้ฆ่ากันฟันกันแทงกันอันนี้ก็จะเป็นโดมงวญญาณของนรกเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในโดมงวญญาณของแต่ละโดวงในรูปแบบของความฝันต่างๆนี่เองนั้นเวลาเรานอนหลับแล้วถ้าเราฝัน เรื่องาวเหล่านี้ก็สแสดงว่าจิตเราที้จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเป็นเหมือนดูหนังตัวอย่างของอนาคตของจิตว่าจิตจะไปในรูปแบบไหนถ้าฝันร้าย ก, ก็สแสดงว่าต้องไปาบาถ้าฝันดีก็จะไปสวรรค์คำถามจากคุณกิติพง์ครับ ถ้าผมปฏิบัติด้วยการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกและมักจะรู้ว่าเพ่งปวดหัวนะในบางขณะปราบขอสอบถามวิธีแก้ไขด้วยครับถ้ามันเป็นเฉพาะเวลาที่เรานั่งปวดหัวเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องไปกังวลก็ได้อย่าไปนสนใจนมันเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อมาเป็นอุปสรรค ให้กับการฝึกสมาธิของเราไม่ต้องไปสนใจให้เราดูเราหายใจต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดต่างๆหรือว่าส่วนนย่งอาจจะเกิดคาว่าเราเพ่งมากจนเกินไปหรือเปล่า ค, คือเราเพ่งแล้วหวังจะให้ได้ผลอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดหัวขึ้นมาก็ได้งั้นเพ่งเฉยๆไม่ต้องเพ่งแบบ ต้องให้ได้ต้องให้ได้ก็เพ่งลมก็ให้ดูลมเฉยๆไปแล้วดูอะไรต่างๆตามปกติอย่าไปอย่าไปเพ่งจนกระทั่มันเกิดอาการรู้สึกเกรงขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอให้มันเป็นธรรมชาติเพ่งเฉยๆดูเฉยๆอันนี้แต่ถ้ามันเป็นทั้งนณะที่เรานั่งสมาธิและขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิ มันก็อาจจะเป็นปัญหาทางน้ามกายซ่งนึ่งอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ต่อไปแต่เป็นแต่เฉพาะช่วงที่นั่งสมาธิเท่านั้นเวลาเลิกนั่งสมาธิมันหายไปก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องการต่อสู้ของกิเลสกับสติปัญญาของเราก็เป็นเรื่องปกติซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเสียหายหลังจากที่เลิกนั่งสมาธิไม่นก็หายไป คำถามจากคุณชนิดาเพลมเสถียนครับถ้าเราอยากไปใส่บาทพระอาจารย์ตามวัดต่างๆถือเป็นความอยากทางโลกไหมเจ้าคะเพราะคําสอนอยากให้เราปฏิบัติมากกว่าขอบพระคุณคะ่ะคือความอยากทําความดีต่างๆนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดีรทําได้เช่นความอยากจะทำบุญความอยากที่จะรักษาศีลความอยากที่จะปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดี แต่บางครั้งความอยากเหล่านี้อาจจะขัดกันก็ได้เช่นถ้าเราอยากจะทำบุญมากๆเราก็อาจจะไม่มีเวลาไปปฏิบัติถ้าเราน้อการปฏิบัติมากๆเราก็อาจจะไม่มีเวลาไปทำบุญงนั้นเราก็ต้องเลือกว่าความอยากแบบไหนได้ผลประโยชน์มากกว่ากันการอยากความอยากไปปฏิบัตินี้มันได้ผลมากกว่าความอยากที่จะทำบุญใส่บาต กับครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็ร่งงางการทำบุญส่ยบาตรไว้ชั่วคราวก่อนในขณะที่เราไปปฏิบัติแล้วเมื่อหลายที่เราไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นเวลาเราก็อยากจะจะไปสายบาตรกับครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้ต่อไปแต่บาทีเราก็ต้องเลือกดูว่าถ้าการปฏิบัติทำบางอย่างนี้มันขัดกันเราก็ต้องเลือกเอาทำที่สูงกว่าถ้าเราทาได้ คำถามจะคุณวีนานะครับการนั่งสมาธิทำบุญอย่างไรเมื่อมนุษย์ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วต้องไปเกิดเป็นเ ป, นเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดราาัจฉานกี่ภพจึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเจ้าคะเคื่อเวลาตายไปนี้มันก็มันคือในใจเรานี้จะสะสมทั้งบุญและบาปไว้ปริมาณอาจจะไม่เท่ากันถ้าปริมาณบาปมันมากกว่าบุญเนี่ย บาปก็จะเป็นผู้ที่มีกำลังที่จะดึงจิตให้ไปรับผลบาปเมื่อรับผลบาปไปบาปที่มีในใจก็จะลดน้อยลงไปจนในที่สุดก็ลงมาอยู่ในระดับเดียวกับบุญช่วงนั้นบาปก็ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อจิตได้บุญก็ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อจิตได้เพราะมันมีกำลังเท่ากันช่วงนั้นจิตก็จะไปรอรับร่างกายไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เช่นเดียวกับถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะเดึงจิตให้ไปรับผลบุญก่อนจนกว่าบุญจะลดลงมาเท่ากับบาปก็จะกลับไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้ก็ลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงวิญญาณถ้าบาปมาบุญมากวาไไมากว่าฝ่ไไายนมากกว่าฝ่ายนัก็จะเดึงไปถ้าฝ่ายบุญกับบาปมีกาลังเท่ากันก็ ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคำถามจากคุณมีนาครับกลาวธรมประการพระอาจารย์ขารบกวนสอบถามว่าเวลาเราบริกรรมพุทโธตอนนั่งสมาธิเราจําเป็นต้องตั้งจิตตรงจุดไหนของร่างกายไหมคะเช่นปลายจมูกหรือหน้าอกหรือแค่ให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องสนใจร่างกายคะกลับขอบพระพคุณค่ะให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับร่างกายเลยแต่บางท่านท่านการ เอาลมมาผูกกับพุโทโธอันนี้ก็ได้เช่นหายใจเข้าเพราว่าพุทหายใจออกเพราว่าโธอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะผูกพุโทโธไว้กับอะไรก็ให้ให้ให้มีแต่พุโทโธอยู่ในใจของเราเพียงอย่างเดียวก็ได้คำถามจากคุณทศัศสากครับก ร, บ ร, ราบตมัสการพระอาจารย์และคุณหมอค่ะขอถามเกี่ยวกับการปฏิบัติยิ่งปฏิบัติกิเลสยิ่งใหญ่ จิตเศร้าหมองมีวิธีแก้อย่างไรคะสาธุค่คะก็ต้องพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นมันก็เป็นปกติเวลาเราปฏิบัติกิเลสมันก็จะย่งต่อต้านเราเพราะเวลาเราไม่ปฏิบัตินี่เรารับใช้กิเลสเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามีมีความเศร้าหมองแต่พอเราปฏิบัติเราฝืนกิเลสปั๊กิเลสมันก็จะสร้างความเศร้าหมองขึ้นมา ซึ่งเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นแน่กลอุบายของกิเลส ท, ที่เราจะต้องแก้ด้วยการมีความหนักแน่นอยู่กับการปฏิบัติอดทนอดกลั้นอย่าให้ความเศร้าหมอง ต, ต่างๆมาทาลายความการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติไปพอได้ผลแล้วอาการเศร้าหมอง ต, ต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับเอง จากคุณเนรไมครับนับกวิชาการพระคุณเจ้าอยากถามว่าการกระทําที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นบาปไหมคะถ้าไม่ตั้งใจจริงๆไม่ก็ไม่เป็นบาปเช่นเราขับรถไปแล้วสุนัขวิ่งตัดหน้าแล้วเราก็ไม่สามารถหลบมันได้เขาชนมันตายอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจก็ไม่บาปคําถามจากคุณบีนานะครับ นั่งสมาธิยังไงให้มนุษย anyway> right ์ด okay. ุดจากความทุกข์คะเราต้องมีสติให้ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมีสติคอยควบคุมจิตให้สงบให้นิ่งให้ได้ให้หยุดความคิดปรุงแต่งชั่วคราวขณะที่จิตสงบนิ่งความคิดปรุงแต่งก็จะหยุดคิดไม่ผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมาก็จะดูดพ้นจากความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ควบคุมจิตปล่อยให้คิด เดี๋ยวมันก็จะเริ่มคิดในเรื่องที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วเราจรึงไม่ควรที่จ ะ, ะปล่อยให้จิตคิ ด, ค ด, คดตามลำพังเหมือนเมื่อก่อนเราก็คอยควรที่คอยควบคุมความคิดบังคับให้คิดไปในเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องคิดถ้าคิดไปในเรื่องที่จะทําให้เกิดความทุกข์ก็ต้องใช้สติอยูุ่ดมันคําถา ม, ถามจากุลแพทแพทยครับ การเลียนถามค่ะจิตที่ถูกกระทบระหว่างวันทําให้ฟุ้งและอึดอัดไม่ชอบใจแต่บังคับไม่ได้แต่จะเห็นอีกครั้งคือความฟุ้งเบาลงหรือหายไปเช่นตอนตื่นนอนในช่วงเช้าเรียนขอคําอธิบายในการปฏิบัติค่ะก็เพราะว่าเราไม่มีสติคอยควบคุมใจนั่นเองปล่อยให้ใจเก่งไปกับสิ่งที่มากระทบเปรียบเหมือนกับเป็นลูกฟุตบอลพอคนนั้นเตะมันก็เก่งไปทาง เดี๋ยวคนนั้นแตกก็เก่งห ม, ม่ทถาวรนีลักษณะของจิต ท, ที่ไม่มีสติ ค, คอยกํากับแล้วเราคอยกํากับจิตอยู่เรื่อยๆด้วยคําบาลีคำพุโทโธหรือด้วยการบังคับให้จิตอยู่กับการเคลื่อนไหวในการกระทําต่างๆของร่างกายถ้ามีอะไรมากระทบเราก็จะมีอะไรคอยยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้มีปฏิกิริยาฟุ้มหรือเอื้ดขึ้นมาได้ยังเราต้องพยายามฝึกสติ ไปทั้งวันในขณะที่เราทําอะไรอย่าปล่อยให้ไม่มีสติให้มีสติคอยบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์อย่างเช่นกับคํำอะไรคำพุดโธพูดโท้ดโทดยอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดตามเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาแทรกถ้าปล่อยให้คิดตามไปเดี๋ยวก็เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมา คำถามจากคุณเต้วัรัญญาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะควรนำเอาความมากน้อยสันโดษมาใช้ร่วมกับชีวิตการทำงานอย่างไรคะกำลังสับสนว่าควรขวนขวายพยายามมากน้อยเพียงใดในทางโลกถึงจะดีเพราะคิดว่าสุดท้ายทั้งหมดที่ได้มาก็เป็นอนัตตาบางอย่างคิดว่าหากขยันและพยายามก็อาจจะได้ความสำเร็จแต่ก็เหนื่อยและเสียเวลาในการเอาไปปฏิบัติธรรมค่ะคือความมากน้อยสันโดษนี้ เมื่อาหมายถึงในเรื่องของปัจจัยสี่เป็นหลักขอใเรามักน้อยคือเอาเท่าที่จำเป็นอาหาราเครื่องนุง่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคให้มีพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายของครัวใ น, นเวลาเราหาเงินหาทองนี่เราไม่จําเป็นจะต้องหามาเป็นเป็นล้านหามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงเท้องได้ แล้วก็มีสำเราไม่้างเวลาที่เราขาดแคลนเท่านี้ก็พอมันก็จะทำให้เราลดปริมาณของการทำงานกับการหาเงินหาทองลงไปได้มันก็จะทำให้เรามีเวลาที่จะเอาไปใช้กับการปฏิบัติธรรมได้ต่อไปคำถามจากคุณธีรติครับกลัวตายจะทำอย่างไรดีครับกลัวลูกเมียจะลำบากถ้าเราตายไป ก็ถามตัวเองว่าแล้วไม่มีใครตายได้ยังไงเราก็ต้องตายลูกเมีเราก็ต้องตายแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้เมื่อถึงเวลาในขณะที่เราไม่ตายเราก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของทุกคนมากไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันไม่ว่าจะตายด้วยสายเห็นตายก็ตามคามตายนี้เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถไปล่วงพ้นได้พระพุทธเจ้าจึางสอนให้ชาวพุทธละมันและเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆด้วยการให้ท่องคําว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นการพัดพลากจากกันไปไม่ได้มันก็จะทําให้เราเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับสภาพความเป็นจริงเหล่านี้ มันก็จะทําให้ความครัวนั้นหายไปได้แล้วกแต่เราก็จะพยายามทําหน้าที่ของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ถ้ามันถึงเวลามันก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงไปคําถามจากคุณนัทวัตรครับกราบเรียนพระอาจารย์ถามพระอาจารย์ให้หน่อยครับว่าเมื่อร่างกายเจ็บปวดเป็นทุกข์เราจะรวบรวมสมาธิได้อย่างไรครับเพื่อให้เราพ้นทุกข์ทางกายนี้ได้ครับ เราเราก็ต้องฝึกก่อนที่ร่างกายมาันจะเจ็บปวดสิเช่นตอนที่ร่างกายเราไม่เจ็บปวดนะเป็นเวลาที่เราควรจะมาฝึกนั่งสมาธิกันแทนที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้อง่ายไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆเราเอาเวลาเหล่านี้มาฝึกทาสมาธิกันไม่ดีกว่าหรืเพราะเราจะรู้ว่าต่อไปเวลาร่างกายเจ็บปวดเราจะได้มีสมาธิ รับกับความเจ็บป่วยของร่างกายได้จะทําทให้เราไม่ถูกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนีย่เราต้องพยายามฝึกตั้งแต่ตอนที่ร่างกายเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราเรอไปทําตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราทัดทำไม่ได้ฉะนั้นพยายามเอาเวลาต่างๆที่เราไปใช้กับการหาความสุข <ram at> <ime> ทางตาหูจมูกนิ้ยานี้เอามาใช้กับการฝึกสมาธิจะดี คำถามจากคุณอนัญญาครับความเป็นคราวาสยังละรูปรสกลิ่นเสียงไม่ได้ค่ะแต่พร้อมตายทุกเมื่อเหมือนจริงตรหนักรู้คงความไม่เที่ยงแล้วเราจะยังเข้ากระแสะโสดาบันได้หรือไม่คะได้เพราะว่าโสดาบันก็ยังไม่ได้ละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ต้องหลังจากเป็นรโสดาบันแล้วถึงจะเห็นโทษของการ การเสด็จรูปเสียงกิ่นรดว่านเป็นเหตุที่นำความทุกข์มาให้ต่อไปก็จะเริ่มพยายามลดละความอยากในการเสด็รูปเสียงกลิ่นรดลงไปนในที่สุดก็จะสามารถละได้เพราะพระโสดาบันนี้จะมีพลังจิตมีกำลังที่จะสามารถละรูปเสียงกิิ่นรดได้แต่ถ้าเป็นฆราวาส น, นี้ยังอาจจะไม่มีกำลังพองั้นก็มาละสกขาทิฏฐิก่อน คือความยึดถือในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเราพร้อมที่จะปล่อยให้ร่างกายจากเราไปได้ทุกเวลาแล้วต่อไปเราก็จะมีพลังจิตที่จะสามารถนามาประใช้ในการรับรูปสิ่งกินร้บต่อไปได้คำถามจากคุณเดียงไลฟ์สไตล์ครับทำอย่างไรถึงจะไม่เครียดเรื่องโควิดและวางใจไม่ให้กลัวและกังวลเจ้าคะก็ อ, อย่างที่เมื่อกี้กมีคาถ า, า, ามถามมาก็ ก็ยอมรับความจริงเหมือนเราเรารับกับสภาพเหตุการณ์ ต, าตา่างๆน้ำท่วมไฟไหม้เครื่องบินตกอุบัติเหตุทางรถยนต์สิ่งหล่านี้มันก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดบ่อยเกิดมากเหมือนกับโควิดเทเองก็คิดว่าเราก็มีโอกาสที่จะนั่งลดความตายได้บ้านเราก็จะมีโอกาสถูกไฟไหม้ได้หรือ น, น้าท่วมได้ เราก็อาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บชนิดอื่ที่ยาทําให้เราตายได้เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันต่างๆเหล่านี้มันก็มีอยู่มาก่อนจะมีโควิดก็เอาโควิดนี้เอามาไว้ในโรว ก, กับโรค ต, ต่างๆเหล่านี้เสียก็แลาวกันว่ามันก็เป็นอีกโรคหนึ่งมีทางหนึ่งทางเ อ, อีกทางหนึ่งที่จะทําให้เราตายได้นั่นเองถ้าเราวางถ้าเราไม่กลัวเรื่องโรคหัวใจโรคความดัน ไม่กลัวอุบัติเหตุรถยต์เรื่องเครื่องบินเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของโควิดมันก็เหมือนกันโอกาสที่จะเกิดมันก็มีได้เหมือนกันตายได้กัจากสิ่งเหล่า น, นี้ได้เหมือนกันมองภาพรวมอยู่แล้วมันก็จะทําให้เราไม่กลัวโควิดก็ได้เพราะรู้ว่ามันก็ต้องมีโรคใดโรคหนึ่งที่จะทําให้เราตายอยู่ดีทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย ตามดังที่เรามาเกิดในโลกนี้แล้วเราก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนเหมือนโรคโควิดอันนี้โรคโควิดมันเกิดขึ้นบ่อยเกิดกับคนมากมันก็เลยทําให้เราคิดเมื่อเราคิดแบบไม่มีปัญญาเราก็จะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาทันเอง แต่ถ้าเราคิดด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเจ็บไข้ได้ปวดและทําให้เราตายได้เหมือนกับโรคอย่างที่เราไม่คิดถึงมันเพราะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้เท่ากันคําถามจากคุณชัชะพง์ครับชอบเพ่งโทษข้อไม่ดีของผู้อื่นพยายามพิจารณาเมตตาแล้วแต่ยังทําไม่ได้ทําไมมันติดแน่นในใจแล้วจะแก้ไขยอย่างไรครับ ว่าเราไม่งอนนิ้วเราเราชอบดีนิ้วเราชอบชี้ไปข้างนอก mm hmm. ท่านสอนให้เราชี้นิ้วกับเข้ามาที่ตัวเราบ้างะทุกครั้งที่เราจะเพ่งโทษคนอื่นกลับมาเพ่งโทษตัวเราก่อนจะดีกว่าเพราะเราก็ไม่ต่างกับเขาเราเราก็มีโทษมีความบกพร่องอะไรเยอะแยะไปหมดให้คิดแบบนี้เราจะทําให้เราเระงับการเพ่งโทษของผู้อื่นได้แต่ทุกครั้งที่เราจะเพ่งโทษเขาถามว่าแล้วเ ร, เราเป็นอย่างไรบ้าง เราวิเศษของเขาเลยเราดีกว่าเขาเลยเรามีอะไรไม่บกพร่องมั่งเลยนะให้พิจารณาแบบนี้คิดแบบนี้แล้วต่อไปเราจะไม่กล้าไปเพ่งโทษคนอื่นคุณชัญญนิตครับการเจริญสติปัฏฐานสี่คืออย่างไรคะคือนี่มันเป็นหลักสูตรของการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเลยเหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นทางโลกก็เป็นหลักสูตรให้เรียนจบแพทย์ทนะีเีย ยังยังผู้ทฏิบิศึกษานี้จะต้องรู้ขั้นตอนของการศึกษาขั้นตอนปฏิบัติว่าจะต้องศึกษาอะไรก่อนจะต้องศึกษาอะไรหลังต้องปฏิบัติอะไรก่อนต้องปฏิบัติอะไรัถ้ามาอ่านสติปัฏฐานสูตรนึกคิดว่าจะปฏิบัติพร้อมๆกันไปเลยนี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะหลักสูตสรสติปัฏฐานสี่นี้เป็นหลักสูตรที่สอนให้หนึ่งคือให้ฝึกสติให้เจริญสติก่อน พอเมืเวสิมีสติแล้วก็จะสามารถฝึกสมาธินั่งสมาธิให้ได้ฌานได้ให้ได้อุเบกขาได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อได้ฌานได้อุเบกขาแล้วถึงจะสามารถสอนใจให้ไปศึกษาเรื่องธรรมชาติของร่างกายของเวทนาของจิตและของธรรมต่อไปเพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จิตไม่ควรที่จะไปยึดไปติดไปอยาก ได้มาเป็นของของตนอย่างนี้เป็นดลักสูตรของการปฏิบัติแต่เวลาปฏิบัติจริงๆนี้มันไม่ได้ปฏิบัติทีเดียวคร้มกันเริ่งต้นฝึกสติก่อนซึ่งฝึกสติของแต่ละคนนี่มากน้อยนี่ก็แล้วแต่ความสามารถบางคนใช้เป็นเวลาหลายปีกว่าจะได้สติพอที่จะมานั่งสมาธิทำํำจิตให้สงบได้บางคนก็ฝึกเดียวเดียว อันนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ต้องเป็นไปตามขั้นเป็นตอนขั้นแรกฝึกสติโดยการให้มีสติเข้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายแล้วพอเวลาเร า, านั่งสมาธิกใกล้มีสติดูรวมหายใจเข้าออกเมื่อกว่าจิต จ, จะสมบรวมเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆให้มันชนานาญจนกว่าจะไปทาง วิปัสสนาหรือทางปัญญาต่อไปคือศึกษาธรรมชาติของร่างกายของเวทนาของจิตและของธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขงังอนัตตานี่คือเรื่องของการจเจริญสติปัฏฐานสี่คำ ถ, ถามจากคุณชัดสิการครับขอเรียนถามค่ะทำไมบางคนเป็นคนดีมากแต่ทำไมชีวิตพบแต่ความลําบากคะบางคนทําไม่ดีแตส่สุขสบายแต่ก็ยังเชื่อในการทําดีอยู่นะคะ มันก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีของเขาก็ได้คนเรานี่บางทีเราพบกันเดียวเดียวเราก็เห็นเพียงแต่ส่วนที่เขาแสดงออกมาดันั้นบางทีเขาอาจจะมีอะไรไม่ดีหรือมีอะไรไม่ดีในอดีตชาติมาก็ได้ที่ทำให้กรรมของเขาในส่งผลให้เขาต้องมาทุกข์ยากลำบากในภพนี้ชาตินี้ก็ได้ นั้นเราต้องเข้าใจนะว่าอดีตชาติทั้งการทําบุญและการทําบาสนี้มีผลส่งให้เรามาได้รับสุขได้รับทุกในภพในชาตินี้ส่วนการทําความดีในภพในชาตินี้หรือทําบาปในภพในชาตินี้อาจจะยังไม่ส่งผลในภพในชาตินี้ก็ได้เราต้องมองให้มันไกลมองให้มันกว้างเราถึงจะเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าเป็นอย่างไร คำถามจากคุณปริยาครับพระอาจารย์คะคนที่พาคนที่เป็นหนี้หนีไปบวชทําให้คนที่ค้าประกันต้องทุกข์รับหนี้แทนคนพาไปบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปออไม่ทําให้คนที่เขาเป็นเจ้าหนี้นี้เขาเดือดร้อนเสียหายเขาทุกข์เพียงแต่เพราะว่าเขาอยากจะได้เงินคืนเราก็ไม่ได้เงินทื่นเขาก็ทุกข์ไม่ไม่เหมือนกับการที่เราไปลักทรัพย์ของเขา เป็นการมคำถามาจากคุณลาเลนครับตายไปแล้ววิ ญ, ญญาณเรายังรับรู้สิ่งรอบข้างได้หรือเปล่าคะขอบพระคุณครับอาจารย์ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเนะี่ยเวลาเรานอนหลับนี่ก็เหมือนเราตายชั่วคราวตอนนั้นเรารับรู้เรื่องเราราอบข้างเราได้หรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะตอนนั้นจิตเราไม่ไม่ไม่สบออกมาทางตาหูจมูกลิ้วกาย เย็อยู่ข้างใ น, นจะจะรับรู้แต่เรื่องที่บุญรืบาปเกิดขึ้นมาให้จิตรับรู้ฉะนั้นคือความฝันต่างๆเช่นเดียวกับดวงวิญญาณครับถามจากคุณอุ้ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาเดินจงกรมเราสามารถเดินกําหนดด้วยความเร็วเหมือนการเดินปกติได้ไหมคะหรือควรก้าวให้ช้าเพื่อให้มีสมาธิกับการบริกรรมค่ะก็ขึ้น อ, อยู่กับว่าเราเราจะ ชอบแบบไหนเรือ่องให้ผลกับเราดีอย่างไรบางครั้งถ้าเราเดินเร็วนีสติเราไม่ทันนี้สติเราไม่สามารถเกาะติดอยู่กับการเดินเร็วได้เราก็เดินให้ชา้าลงบางทีเดินชา้าลงก็ทำให้สติไม่สามารถควบคุมใจได้มันคิดเรื่อยเปื่อยก็อาจจะต้องเดินเร็วขึ้นอันนี้ต้องปรับไปตามความเหมาะสมของการเดิน ของวาลัของจิตว่าจิตอยู่ในช่วงไหนบางช่วงจิตคิดมากบางช่วงจิตคิดน้อยการเดินของเราก็อาจจะต้องดูว่าเดินแบบไหนถึงจะเหมาะเป้าหมายของการเดินก็เพื่อให้เราควบคุมความคิดให้ได้เท่านั้นเอง คำถามจากคุณอนัญญาครับเวลาเราขับรถยามค่าคืนเรามองเห็นกบเขียดและพยายามหลบแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราขับเหยียบมันหรือไม่แล้วเราจะบาปไหมคะอย่างที่พูดว่าถ้าเราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจจะไปทำร้ายเขามันก็ไม่บาปคำถามจากคุณนปดลครับผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพราะโควิด -19 อย่างทรมานจะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีไหมครับ มันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เขาได้สะสมมาในจิตใจของเขาถ้าบาปมีมากกว่าบุญเขาก็จะไปเกิดที่ไม่ดีถ้าบุญมีมากกว่าบาปเขาจะไปเกิดในที่ดีไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาตายด้วยสายเหตุทางไหนการที่จะไปเกิดดีไม่ดีอยู่ที่บุญและบาปที่เราได้สะสมไว้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของเราช่วงนั้นบุญกับบาปก็จะเป็นผู้ที่มาตัดสินว่าจะไปทางไหน ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็จะไปทางบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็จะไปสู่สมคติคําถามจากคุณ<ม>บุบพชาติครับสวัสดีคุณหมอรักขอกราบนำ้ำระสการพระอาจารย์ถามเราออกเงินค่าบวชนาคหมดทุกอย่างเลยแต่เราไม่ได้ไปบวช ด, ด้วยเพราะเตถุระอยากถามว่าผู้ออกเงินจะได้บุญไหมคะได้ก็เป็นการทําบุญเป็นการเสียสละแบ่งปันเงินทองให้แก่ผู้บุญโดยการเอาเงินทองไปซื้อ อัด บ, บริานะการในการผู้ที่ต้องการจะบวชเนี่เราก็ได้บุ่ในส่วนนี้ไม่ว่าเราจะไปร่วมบุ่นร่วมงานหรือไม่ก็ไม่สําคัญว่าเราได้เสียสละทําบุญทําทานแล้วได้บุญแล้วคําถามจะคุณเก็บไว้กลางหัวใจครับการทำพิธีการหลวงพ่อครับการรู้ใจคนอื่นหรือล่วงรู้ล่วงหน้าต้องฝึกสติหรือฝึกสมาธิครับอันนี้เป็นเรื่องของอภิญญา ซึ่งจะเกิดจากการได้สมาธิและก่อนที่จะได้สมาธิก็ต้องฝึกสติก่อนแล้วก็ต้องเป็นสติเป็นสมาธิชนิดพิเศษคือเรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งผู้ปฏิบัติสมาธินี้จะไม่เข้าถึงกันทุกคนมีเฉพาะคนบางคนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่อุปจารสมาธิได้สามารถที่จะอ่านจิตใจของผู้อื่นได้ สามารถที่จะระลึกชาติได้เป็นต้นหรือสามารถที่จะติดต่อกับกายทิพต่างๆได้อันนี้จะได้ก็ต้องฝึกสติก่อนให้มีสติควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบแล้วพอใจที่เป็นมีวาสนาทาที่จะไปทางสมาธินี้พอใจสงบแล้วก็จะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ต่อไปคาถามจะกคุณวอครับ การทำบุญด้วยการบริจาค ก, กับการฝึกสตินั่งสมาธิอะไรจะได้บุญมากกว่าการก็รับครับครัถ้าวัดบุญด้วยความสุขการทำบุญทำทานนี้ก็จะได้สุขน้อยกว่าการนั่งสมาธิแต่การจะนั่งสมาธินี่มันยากกว่าการทำบุญทำทานเาั้นบางทีถ้าเราคิดว่าเราอยากจะได้บุญมากเรามาฝึกนั่งสมาธิแต่มันยากอาจจะ นั่งสมาธิเป็นปียอาจจะไม่ได้ผลก็มีเฉนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้บุญได้ความสุขแบบรวดเร็วเราก็ทําบุญทำทานไปก่อนดีกว่าส่วนสมาธิเราก็ฝึกไปควบคู่กันไปแต่อย่าไปคิดว่าการนั่สมาธิได้บุญมากกว่าก็ทําให้เราอยากจะไปนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่เราก็ต้องดูว่านั่งแล้วเราได้ผลหรือไม่ถ้านั่งแล้วไม่ได้ผลเนี่ ถ้ า, าอยากจะมีความสุขเราก็ทําบุญทาทานไปก่อนดีกว่าเพราะการทําบุญนี้พอทําเสร็จปุ๊บก็ได้ความสุขขึ้นมาทันทีไม่เหมือนกับการนั่งสมาธิอันที่นั่งสมาธิเป็นเดือนเป็นปีก็ยังไม่ได้ความสุขจากการนั่งก็ได้คำ ถ, ถามจากคุณทันวาครับกราบสาธุค่ะคนทานมังสวิรัตได้บุญกุศลมากกว่าคนทานเนื้อสัตว์จริงหรือไม่คะและคนทานเนื้อสัตว์จะเป็นการสร้างบาปกรรมติดตัวจริงหรือไม่คะท่าน ไม่จริงเราคือการทานเนื้อสัตว์หรือไม่ทานเนื้อสัตว์นี่มันไม่ได้ทำให้คนได้บุญหรือได้บาปนะถ้าเนื้อสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เกิดจากการฆ่าของผู้รับประทานเข้าใจไหมไหมายถึงว่าถ้าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วที่ขายอยู่ในตลาดมารับประทานนี้ไม่เป็นผลบาปแต่อย่างใดแล้วก็การไม่ทานเนื้อสัตว์ทานผักอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นบุญอย่างไร ก็เป็นเป็นการรับประทานเท่านั้นเองถ้าการทานผักไม่ทานเนื้อสัตว์นี่เป็นบุญพวกสัตว์ในรักษาะที่เขาไม่ไม่ทานเนื้อสัตวตเเนเนต์เช่นพวกวัวควายพวกที่กินหญ้านี่เขาก็ต้องได้บุญมากกว่าการเป็นมนุษย์เทมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าการรับประทานอะไรอยู่ที่การกระทำของเราว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าหรือสั่งให้ผู้ฆ่าให้กับเราหรือไม่ ถ้าเราไม่ได้ค่าเองไม่ได้สั่งให้ผู้อื่นค่าให้กับเราดั้เราทานเนื้อสัตว์ที่เกิดจากการตายของการค่าของผู้อืน่นนี้ไม่มีผลบาปแต่อย่างใดไม่เป็นบาปกันอย่างใดจากคุณอัมพรครับกราบนักัสการพระอาจารย์คนเราตายแล้วจะไปเกิดใหม่ทันทีเลยใช่ไหมคะหรือต้องไปพบท่านพญาโยมเพื่อตัดสินก่อนต้องกราบขออภัยเจ้าขาถ้าคําถามไม่เหมาะสม พยาลมก็คือบุญกับบาปที่เราทําอยู่ในขณะนี้แหละพอเวลาตายปับบุญกับบาปนี้ก็จะเป็นผู้มัาตัดสินใจว่าเราจะไปเกิดที่ไหนต่อเราจะไปสวรรค์หรือเราจะไปอบายหรือเราจะไปเป็นมนุษย์ต่อไปเกิดเป็นมนุษย์ต่ออันนี้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้และสะสมไวในใจถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะส่งให้เราไปเกิดในสวรรค์ก่อน ถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะส่งให้เราไปเกิดในาวายก่อนถ้าบุญกับบาปมีกาลังเท่ากันก็จะส่งให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคําถามจากคุณอุสลีครับหนูรักเพื่อนมากแต่เพื่อนหนูทําผิดศีลข้อสามแย่งสาว ม, มีคนอื่นเพราะผู้ชายหลอกหนูคอยปลอบเพื่อนแต่ไม่ได้ห้ามเพื่อนว่าผิดศีลกลัวเพื่อนโกรธหนูจะแก้ไขความผิดนี้ได้ยังไงคะหนูกลัวบาปขาดที่ไม่ห้ามเพื่อน ออการไม่ได้ห้ามเขาที่ไม่เป็นบาปแต่อย่างไใดผู้กระทาผิดศีลท่าน น, นั้นเป็นผู้ที่ทําบาปผู้ที่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะห้ามเขาได้นี่ก็ไม่บาปแต่อย่างไรเพราะบางทีก็ห้ามเขาไม่ได้หรือห้ามแล้วก็อาจจะทําให้เขาโกรธล้วเองขึ้นมาก็ได้งั้นการที่เราไม่ได้ไปห้ามไปบอกคนอื่นไม่ให้ทำบาปนี้ไม่ไม่เป็นบาปแต่อย่างไรไม่ต้องขมวดคาถามจากคุณ ss ครับ ขอถามการเข้าสู่กระแสพระโสดาบันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จและประเภทใดเอกพชโกลังโกลาสตะขัดตุงครับก็เหมือนกับการหายจากโรคภัยไข้เจ็บเวลาเราเป็นไข้นี่แล้วเรารับประทานยาแล้วพอไข้าหายไปเราก็จะรู้ว่าโอ้ยตอนนี้เราไม่เป็นไข้แล้วเราหายจากไข้แล้วการ เป็นพระโสดาบันก็จะเป็นลักษณะนั้นความทุกข์ของพระโสดาบันหรือไข้ของพระโสดาบันก็คือความกลัวตายกลัวเจ็บกลัวความแก่นี่พอปฏิบัติเข้าในกระแส ข, ของพระโสดาบันได้ความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายก็จะหายไปเหมือนกับไข้ชนิดนี้ก็จะหายไปจากใจก็จะรู้เอง คำถามจากคุณแววดาวครับกราบธรรมสการพระอาจารย์นําปัใจจัยใส่ซองใส่บาตรตอนเช้าครับจะบาหรือเปล่าครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าพระนี้มีสองสองพวกด้วยกันพวกหนึ่งนี่ท่านจะไม่รับสองไม่รับเงินทรงด้วยกำเมิดของตนเองต้องให้ฝากกับให้กับไว้กับลูกศิษย์เป็นผู้รับแทนแต่อีกพวกหนึ่งนี่เขารับเงินทําได้กำเมือสําหรับผู้ให้นี้ไม่บาปแต่อย่างใด แต่สำหรับผู้รับได้อาจจะผิดเพิ่มอีหน่ยผิดกฎระเบียบจากคุณเบญจดาดวงมาลาครับแต่ธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะการปฏิบัติกรรมฐานเจริญสติเป็นบุญอย่างไรเจ้าคะคำว่าบุญนี่ก็คือความสุขใจ oh. อิ่มใจนั่นเองทำบุญให้ทานก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทักษาศีลได้ก็เป็นความอิ่มใจสุขใจ การนั่งสติาสตินั่งสมาธิพอจิตสงบก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันแต่เป็นความสุขใจอิ่มใจที่หนักกว่าที่มากกว่าความสุขใจที่ได้จากการรักษาศีลนึกเกิดจากการทำบุญทำทานขังถามจากคุณชาชพงครับกรรัสการครับการสวดมวนต์พวกคาถาต่างๆเช่นบทพาหุงมหากาชินะปัญชรยอดพระกันไตรปิฎกเราจะได้บุญไหมครับ จะได้สติไงการการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกให้ให้มีสติแล้วก็จะทำให้ใจเราสงบลงความสงบของใจนี้ก็จะทำให้ใจมีความสุขก็เป็นบุญในการสวดมนต์คาถาต่างๆนี้ก็ได้บุญเช่นเดียวกันคือได้สติได้ทำใจให้สงบแล้วก็เกิดความสุขจากความสงบของใจคำถามจากคุณนี้ระมัยครับ กราบมรสการพระคุณเจ้าการแท้งบุตรโดยที่ลูกหลุดไปเองทงั้งๆ้งที่ทนุถนอมเราจะบาปไหมทั้งๆที่เราอยากมีลูกมากถ้าเราไม่มีเจตนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสุดวิสัยนี้ไม่เป็นบาปแต่อย่างไรเหมือนกับที่เปรียบเทียบเมื่อกี้ถ้าเราขับรถไปแล้วสุนั้ำเกลีตัดหน้ารถแลชนเทขาตายนี่ก็มไม่เป็นบาปเพราะไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจคำถามจะคุณอุ้ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ถ้าเราตายแล้วเหมือนกับเวลาเราฝันสิ่งที่จะทําให้เราฝันดีหรือร้ายเกิดจากบุญบาปที่ทํามาทั้งชีวิตใช่หรือไม่คะถูกต้องเราสังเกตอยู่เวลาเรานอนหลับว่าเราฝันดีมากกว่าฝันร้ายหรือฝันร้ายมากกว่าฝันดีมันก็จะบอกให้เรารู้ปริมาณของบุญและบาปว่าส่วนไหนมีมากกว่ากันอันมีคําถามส่วนตัวครับพระอาจารย์จักคุนชัดชัยครับพระอาจารย์อยู่วัดป่าบ้านป่ากีปาปาป่ปีครับ ก็อยู่ตั้งแต่เมษา 2,518 จนถึงประมาณพฤศจิกา2526ก็ประมาณ8ปี8เดือนเลยอาจารย์อยู่ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับอาจารย์พันก็รากลับมาเยี่ยมบ้านสองครั้งครั้งแรกก็ตางหลังจากที่ได้5บรรษาแล้วครั้งที่สองก็ตอนที่ได้8บรรษาก็ลามาเยี่ยมบ้านอีกครั้ง ด้าหลังจากนั้นก็ขั้งสุดท้ายก็ออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับเลยครับคำถามจากคุณกรัญญาครับ<ม>กินน้ำชากัญชาดื่มหรือรับประทานผลิตภัณฑ์กัญชาจะถือว่าผิดศีลข้อห้าไหมคะถ้าเป็นของมึนเมาก็ถือว่าผิดศีลถ้าทำให้ไม่มีสติไม่สามารถประครับประคองสติควบคุมการกระทาทางกายว่าทางวาจา ทางใจได้ก็ถือว่าเป็ดศีข้อห้ามเหมือนกันคือของมึนเมาต่างๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นสุราเพียงอย่างเดียวจากคุณนัทครับกราบธรรมสการค่ะเราสามารถใช้บทกวดน้ํารอบเย็นมาใช้หลังสวดมนต์ตอนเช้าได้ไหมคะคือการใช้การกวดน้ำนี้ตามจริงไม่จําเป็นถ้าเราจะทิ้บุญไม่ต้องไม่ต้อง ใช้บวดบวดน้าต่างๆก็ได้เพียงแต่ให้ดนเล็กภายในจิตของเราว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ได้แต่เอามาใช้ก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาจะใช้รอบเย็นมาใช้รอบเช้าก็ได้จากคุณปัญญาครับกลาวนพิสการพระอาจารย์การใส่บาตรพระตอนเช้าเวลาท่านให้พรจะเห็นบางคนนั่งบางคนยืนรับพร อ, อย่างไหนจะเหมาะสมครับก็แล้วแต่ความ ค, ความ ความถนัดของผู้รับบางท่านไม่ถนัดที่จะนั่งก็ยืนรับก็ได้คือก็แสดงความเคารพเท่านั้นเองทางทางศาสนาก็ไม่ได้มีำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างแจ้งชัดว่าจะต้องยืนหรือจะต้องนั่งคำถามจ้กคุณปริยาครับพระอาจารย์คะคนที่กำลังจะตายแล้วกล่าวคำสาปแช่งคำสาปแช่งของเขาจะแรงแล้วเป็นจริงหรือคะเพราะจิตของคนที่จะตายแล้วกล่าวพุโทโธ ยังไปอยู่ภพภูมิที่ดีได้ไ ม, ไม่จริงหรอกเพราะว่าถ้าสามารถแช่งคนเดินได้ก็ไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมไว้เลยกฎแห่งกรรมนี้เป็นโทษที่จะเป็นโทษสาบแช่งผู้กระทําบุญนะกระทําบาปให้ไปรับผลบุญผลบาปคนเดินไม่สามารถสาบแช่งได้จากคุณเจ๊แมวครับ การรรมศการ์ค่ะพระอาจารย์น <activity> ั But, Entonces, so, ่งสมาธิอยู่ที่บ้านยังไงให้ได้สมาธิมากที่สุดและสงบที่สุดเจ้าคะก็ต้องให้มีสติถ้ามีสติก็จะนั่งสงบได้เร็วและสงบได้นานแต่ถ้าไม่มีสตินั่งไปนานเท่าไหร่มันก็ไม่สงบมันไม่ได้ผลนั้นต้องพยายามฝึกสติให้มากๆเพราะถ้ามีสติแล้วเวลานั่งจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วได้ได้ง่ายและจะสงบได้นาน ถ้าไม่มีสตินั่งไปจิตก็คอยเว่งไล่ความคิดอยู่เรื่อยๆนั่งไปเวลานานใช้เท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ผลการการที่จะนั่งสมาธิได้ผลต้องมีสติต้องฝึกสติไว้มากๆก่อนคำถามจ้าคุณวีนาครับกราบเรียนขออนุญาตพระอาจารย์อีกข้อว่าการให้พ้นอบายให้ได้และเคยได้ฟังคําเทศของพระอาจารย์ว่าคนเราจะหลุด จากไม่ทําสิ่งไม่ดีคือต้องไม่ใช้ร่างกายมันแต่ร่างกายต้องใช้มันไปซื้อปัจจัยสี่เราต้องทํำยังไงคะ อ, อ๋คือเราใช้ร่างกายทําทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เช่นทําบุญได้ไม่มีปัญหาอะไรหรือทํากิจกรรมที่ไม่ใช่เป็นบาปแต่ไม่ใช่เป็นบุญก็ทําได้เช่นการไปซื้อกับข้าวนี่เราไม่ถือว่าเป็นการทําบุญหรือเป็นการทําบา เป็นกิจกรรมที่เราจะเป็นที่จะต้องทําเพื่อเลี้ยงดูร่างกายของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําไปจนถึงวันตายแม้แต่พระพุทธเจ้าบ้างอาหารทั้งหลายท่านก็ยังต้องใช้ร่างกายทํากิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ต้องออกเวนตบาเนี่ยเพื่อไปหาอาหารมารับประทานอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ใช่เป็นบุญก็เป็นบาปคุณเอกชายครับชอบนอนฟังธรรมะทุกคืนก่อนนอนจนหลับจะบาปนะครับ ไม่แบาปเราก็จะเป็นเหมือนได้ใช้ยาเป็นยานอนหลับนันีอแต่จะไม่ได้บุญมากเท่านั้นเพราะว่าบางทีฟังแล้วก็เคลิ้มหลับไปจะไม่ได้ประโยชน์เท่ากับนั่งถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากการทำธรรมะก็ต้องนั่งทำจะดีกว่าจากคุณน้าหน้าพาครับขอกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะไม่ได้ไปทําบุญที่วัดเลยชอบทําบุญด้วยวิธีโอนเงินเราจะได้รับบุญหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะได้เหมือนกับเวลาที่เราไปที่วัด เพียงแตว่าถ้าไปที่วัดที่มีการสั่งสอนธรรมะเราก็อาจจะได้ความธรรมซึ่งเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งแตถ้าเราไม่ได้ไปวัดที่มีการแสดงธรรมเราโอนเงินไปก็เหมือนกับเราไปเองก็ได้นัได้บุญเหมือนกันจากคุณอุ๊ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเหตุใดคนบางคนเกิดมารู้ความก็รู้จักละอายชั่วกลัวบาป แต่กับบางคนตลอดทั้งชีวิตกลับไม่มีความเกรงกลัวบาปเลยคะเพราะอดีตชาติของแต่ละคนนี่สะสมความรู้มาต่างกันนั่นเองบางคนได้อยู่กับคนที่มีรู้รจักเรื่องบาปบุนคุณโทษก็ได้ถูกอบลมสั่งสอนไว้มันก็ฝังอยู่ในใจบางคนไม่ได้อยู่กับคนที่รู้จักบาปบุนคุณโทษก็จะไม่มีความรู้สึกเหล่านีน้ติดมา ก, กับใจนั่นเอง จากคุณแบล็กนพพรครับความตายของคนเราจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของกรรมที่เราก่อไหมครับไม่ครับเป็นเพลงแต่เป็นการไปย้ายบ้านเนั้นเองร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านที่เราพอร่างกายมันทําบ้านมันทําแล้วก็ย้ายไปหาบ้านใหม่แล้วก็ไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่เราได้ทำไว้ต่อไปแต่ไม่รับผลบุญผลบาจะสิ้นสุดกรรมก็ต่อเมื่อเราไม่เป็นเกิดใหม่เท่านั้นเอง กต้องบรรลุเป็นผ้าอารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็จะไปไปอยู่ที่พระนิพพานที่ที่ไม่มีการเกิดอีก่อกไปจกักุลอภิสิทธ์ครับผมเป็นคนจิตอ่อนครับกลัวไปทุกๆอย่างแล้วฝันร้ายด้วยต้องทำยังไงครับก็พยายามฝึกสติหัดฝึกสติสตินี่เราจะทำให้จิตเป็นจิตที่เข้มขังเป็นจิตที่กล้าหาญเป็นจิตที่ไม่หวาดกลัวกับอะไรทั้งสิน้นว่าจะมีอเบขา แล้วพยายามฝึกสติแล้วก็นั่งสมาธิด้วยฝนะึกสติทั้งวันเลยพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดฟุ้งซ่านไปคิดกับเรื่องราวที่ไม่จําเป็นอย่าท่องคิดถ้าต้องการต้องคิดเรื่องที่จําเป็นก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอไม่ต้องคิดก็ก็กลับมาพุโทโธอย่าปล่อยให้จิตคิดเรื่องราวต่างๆ ท, ที่ไม่จําเป็นอย่าท่องคิดแล้วต่อไปเราจะควบคุมจิตให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้ เมื่อจิตมีเบิขาแล้วจิตก็จะไม่มีความหวาดกลัวกับอะไรทั้งสิ้นจิตจะรู้สึกเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆคำถามจากคุณอานัตครับตายจากอุบัติเหตุลงเล็บตายโหงจะได้ไปเกิดตามบุญบาปหรือต้องเป็นสัมภเวสีก่อนครับขอบคุณครับก็นั่นแหละก็อยู่ที่บุญกับบาปนะพอตายไปบุญกับบาปก็จะเป็นคนตัดสินเองคำว่าสัมภเวสีนี่ไม่ไม่ทราบว่าหมาความว่าอย่างไ หมายถึงดวงวิญญาณที่ยังไม่เกิดใช่ไหมหรือยังไงน่าจะใช่นะครับอาจารย์ดวงวิญญาณที่ไม่เกิดก็เป็นพวกก็เป็นพวกถ้าถ้าบาปก็เป็นพวกเปสพว ก, พวกอสัสดุกายพวกนร ก, กถ้าเป็นบุญก็เป็นพวกเทพชั้นต่างๆนี้เป็นโยงวิญญาณถ้าถ้าบุญกับบาปมันเท่ากันก็เป็นเกิดเป็นไปรอเกิดเป็นมนุษย์ไปรอรับร่างกายของมนุษย์ต่อไป คำถามจากคุณภูวนาถครับสติปัฏฐานสี่กับพุทชงเจ็ดแตกต่างกันอย่างไรครับพุทชงเจ็ดนี่เป็นธรรมที่มีอยู่ในสติปัฏฐานคือในวทของธรรมสติปัฏฐานนี่มีสี่หมวดด้วยกันมีร่างกายมีเวทนามีวิจิตและก็มีธรรมพุทชงเจ็ดนี่ก็เป็นธรรมที่มีในสติปัฏฐานสี่ เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญให้มากเพื่อที่จะได้บรรลุถึงมากงผลนิพพานได้คำถามจากคุณโคลินแอนครับกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเราขาดสติเผยทิศอกุศลและส่งผลให้เราและผู้อื่นเดือดร้อนเราจะหลุดออกจากกระแสการบรรลุธรรมไปอย่างยาวนานหรือไม่คะมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมอย่างน้อยขั้นโสดาบันได้ไหมคะ มีเสร็ได้ถ้าเราดึงสติกามมาได้ถ้าเราสามารถควบคุมจิตให้อยู่ภายใต้ความการควบคุมของเราได้เราก็สามารถบรรลุเป็นพระสวดาบวาันได้แต่ถ้าเราไม่มีสติปล่อยให้จิตคิดไปเรื่องราวต่างๆนี่โอกาสที่จะบรรลุธรรมนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะการที่ก่อนที่จะบรรลุธรรมนั้นจิตต้องเข้าสมาธิให้ได้ก่อนต้องให้ได้ฉลาดก่อนแล้วเมื่อได้ฌานได้สมาธิแล้วก็ต้อง สามารถบังคับจิตให้คิดไปทางใจลับให้ได้พิจนาขันห้ากายเวทนาลูบูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาให้ได้แล้วปล่อยวางได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้คำถา ม, ถามจากคุณแพทภูไพบูนะครับนักวิชาการเรียนถามว่าการรับรู้ว่ากำลังมีอารมณ์ต่างๆเช่นโกรธเศร้า แต่ไม่เป็นผู้โกรธเองจะเป็นการเก็บกฎไหมคะทำให้เครียดหนักขึ้นขอวิธีปฏิบัติที่ถูกคะ่ะ ถ, ถ้าเกิดความเครียดมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าไม่เกิดความเครียดรู้สึกเฉยเฉยรู้ว่าอารมณ์เป็นอย่างนี้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างหรือว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปแต่จิตก็เป็นปกติอย่างนี้ก็ถูกต้องแต่ถ้าจิตเครียก็แสดงว่าไม่ถูกถือว่าเป็นการเก็บกด คำถามจะคุณพอม้าครับกราบเรียนนวัตสการพระอาจารย์ครับรบกวนสอบถามครับการบูชาพญานาค ก, การไปขอความร่ํารวยกับพญานาคเราควรทําหรือไม่ครับผมเห็นคนบูชากันมากบ้างบอกได้โชคลาภมาจากการบูชาพญานาครบกวนพระอาจารย์ไขข้อสงสัยครับเราตามหลักธรรมนี่เราไม่ให้บูชาอะไรนอกจาก พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอพอพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่จะสอนให้เราเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพียง อ, อย่างเดียว ให้เราเชื่อกดแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อให้เชื่อเท่นี้ก็พกส่วนการไปกราบดูชา้าขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่มันเป็นเรื่องที่เพลิดเจลิามากกว่าเพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่ได้ผมทุกคนที่ไปกราบก็วควรจะได้ผลเหมือนกันแต่บางคนไปกราบก็ไม่ได้ร้อยคนอาจจะได้สักคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งก็มาบอกว่าได้เพราะไปกราบพญานะ นี่นี่ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเราต้องดูต้งพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลต้องดูข้อมูลจริงจริงหาข้อมูลมายืนยันว่าจริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปเชื่อเลยจากคุณดวงบุญแก้วนิมิตครับการมาสการพระคุณเจ้าคะ่ะชาตินี้เราได้บริจาคอวัยวะแล้วเกิดชาติหน้าจะเป็นคนพิการหรือไม่ครับ รม่หรอกเราก็จะเป็นคนเที่มีคนอื่นบริจาคอวัยวะให้กับเราถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยจากคุณอภิอภดีครับกราบเรียนถามพู้อาจารย์ค่ะการที่มีเหตุให้เสียทรัพย์เช่นเสียหุ้นนั่นคือเราประมาทเองหรือว่าเป็นกรรมทําแบบนี้ควรยอมรับและกล้มหน้าทํามาหากินต่อไม่ต้องคิดเสียดายเพราะมันผ่านไปแล้วถูกต้องมันถือว่าเป็นเรื่องปกติของโลกเราอยู่ในโลกอ น, นิจจ์ไม่มีอะไรแน่นอน การคิดของเราอาจจะไม่เป็นไปตรงกับความเป็นจริงก็ได้เราว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกแต่มันมาอาจจะไม่ตกก็ได้ฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราพนันกันคนนึงว่าตกอีกคนหนึ่งไม่ตกคนที่คนที่พนันตรงกับความจริงก็ได้เงินไปทะนั้นเองมันเป็นเรื่องของการคาดคะเนตามการทํำธุ ร, รกิจการซื้อหุ้นก็เป็นการคาดคะเนถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นไป เนี่อาจจะประมาณผิดคาดกันเองผิดแล้วก็เลยไม่ได้ผลถ้านั้นเองมันอยู่ที่เรื่องของความความความคิดของเรากับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราคิดแล้วมันตรงกับตรงกับที่เราคิดมันเราก็จะได้ประโยชน์ถ้าเราคิดแล้วมันไม่ตรงกับที่เราคิดมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ คุณพัทเ p ครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยสอนเรื่องการปล่อยวางค่ะว่าควรปล่อยเรื่องใดบ้างปล่อยมากน้อยแค่ไหนจึงจะถูกต้องพอดีคือปล่อยแบบทําให้เราไม่ทุกข์เนียคือเรื่อง ต, ต่างๆนี้บางทีเรายังมีความรับผิดชอบอยู่มีหน้าที่อยู่เราก็ทําไปตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบของเราแต่ถ้ามันทําให้เราทุกเราก็ต้องปล่อยมันทําหน้าที่แบบไม่ให้เราทุกไม่ให้เรา กินไม่ได้นอนไม่หลับทําเท่าที่เราทําได้ถ้าเกินกําลังของเราแล้วเราทําไม่ได้แล้วทาให้เราทุกข์เราก็ต้องยอมรับว่าเราทําไม่ได้เท่านั้นเองแต่ไม่ให้ปล่อยหมดเช่นร่างกายนี่เราก็ยังต้องดูแลมันไปเลี้ยงดูมันไปรักษามันไปแต่พอมาจะเขียนหนึ่งหมอบอกรักษาไม่ได้นะเราก็ต้องปล่อยหยุดการรักษาไปยอมรับความเป็นจริงว่ารักษาไม่ได้อย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าใจเราทุกข์ก็แสดงว่าเราไม่ปล่อยแต่คุณวอรพงครับการมัสการหลวงปู่ผิดศีลข้อสามแล้วตายไปจะชดใช้กรรมอย่างไรขอรับข้อสเข้ากาเรเมก็จะเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานส่วนใหญ่พวกสัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่มีเขาไม่มีศีลข้อนี้เขาเจอใครที่ไหนเมื่อเขามีอารมณ์เมื่ อ, อไรเขาก็จะเสกกามข้อนี้ทำผิดศีลข้อนี้ทันที เขาถึงเรียก ว, ว่าเป็นสุนักเดือนเก้านะคนคที่ทำเพศเสียนี้ยเขาเลยกเป็นพวกหมาเดือนเก้านะครับขอบคุณจากคุณนัดครับการรำลกัสการค่ะคือนัดได้เข้าปฏิบัติ ส, สติปัฏฐานสี่ยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นอัตตาตัวตนที่มากมายปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วก็ต้องนลนละด้วยไม่ใช่เห็นแล้วก็ไม่นลนละถ้าเห็นแล้วไม่นลนละก็ยังปฏิบัติไม่ถูก การปฏิบัติที่ถูกเขาเอใ้เราลดละอัตราตัวตนนั่นเองจากคุณเท่าราชสีสิทธ์หลวงพ่อกลวยครับเคยถวายพระไตรปิฎกครบชุดเลยครับกับทางวัดอุบลพระได้นํามาสอนพระเนรทุกวันอธิษฐานว่าทําใดที่มีในพระไตรปิฎกขอให้ข้าพเจ้าถึงทํานั้นด้วยเทินแบบนี้จะได้มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางพระนิพพานในชาติต่อๆไปไหมครับการบริจาคพระไตรปิฎกนี้ไม่ทําให้เราได้ปัญญา ทางที่เราจะได้ปัญญาเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานได้เราต้องศึกษาพราะตัณฐาปิฎก ด, ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่จ้างคนอื่นเข้ามาศึกษาให้กับเราเหมือนกับเราจะจบปริญญานี้เราก็ไปจ้างคนให้เข้าไปเรียนให้เราได้หรือไม่มันไม่ได้หรอกว่าการเรียนนี้เรียนเพื่อให้ได้ความรู้ยังจ้างคนอื่นเรียนนี้จะไม่ทําให้เราได้ความรู้แต่อย่างใดการถวายพระตัณปิฎกราให้คนอื่นเข้าไปเรียนนี้ เขาคนที่เรียนนะได้ความรู้ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้แต่คนถวายพระทรยเป็นดอกนี้จะไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนไม่รู้ว่าวิธีที่จะไปสู่พระนิพพานไปอย่างไรนั่นเองแต่เขาก็เหมือนกับจะได้ทานใช่ไหมครับอาจารย์ได้ได้ซื้อของมาได้สละทรัพย์ออกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ได้เพียงแต่ทานทําทําบุญทําทานแต่ไม่ได้ปัญญาปัญญาที่จะพาไปสู่พระนิพพานเพราะไม่รู้ทางเนี่ย เพราบีเดีดยวนี้เป็นเหมือนแผนที่ที่เราจะต้องศึกษาเแต่เราซื้อแผนที่มาไล่คนอื่นเข้าไปใช้อย่างนี้อครับ <c oughs> รแจกแผนที่แต่เราไม่เอามาใช้เองแล้วก็ไม่เดินไปเราไปไม่ได้ขอบคุณอาจารย์ครับแต่คุณสลานครับกลาวนมหการพระอาจารย์นัสวัสดีคุณหมอครับคําว่าบาังเอิญในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงไว้หรือไม่ครับเช่นการที่กระผมได้มีโอกาสมาเจอพระอาจารย์และคุณหมอเพื่อเรียนรู้พระธรรมครับ ทางศาสนาท่านจะไม่ใช้คำว่าบางอย่านมท่จะใช้คําว่ากรรมคือการกระทําของเราเรากระทาอะไรทางกายทางวาจาใจไปทางะไรทางไหน่งมันก็จะพาให้เราไปสู่ทิศทางนั้นถ้าเราคิดไปในทางธรรมพูดในทางธรรมปฏิบัติทางธรรมมันก็จะพาเราไปสู่ทางของธรรมถ้าเราคิดไปในทางโลกทางเล่นการงานทางเที่ยวเตะมันก็จะไปอีกทางหนึ่ง และมันทำศาสนานี้ทำวัตถุทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับกรรมคือมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมที่ทําให้เราได้พบได้เห็นได้อะไรต่างๆขึ้นมาผู้ถานเขอาจจะหมายความว่าเหมือนมีกรรมสัมพันธ์เคยเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์อะไรอย่างนี้มื่อก่อนเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ก็อาจจะมีส่วนก็ได้แต่ไม่ไม่อันนี้ถ้าไม่มียานอย่างทราบก็อาจจะไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างแท้จริงครับ คำถามเจ้คุณโ ย, โยโยครับน้มัสการครับหากบุคคลใดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทาบาปแม้ไม่ได้ลงมือทําเองบุคคล น, นั้นจะเป็นบาปด้วยไหมครับไม่เป็นหรอกเป็นแต่ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ควรกระทำนันเอเพราะว่าถ้าส่งเสริมผู้อื่นได้ก็อาจจะส่งเสริมตัวเองได้ต่อไปถ้าถึงเวลาตัวเองก็อาจจะไปทําบาปเองก็ได้แต่ถ้าคอยหักข้ามพู้อื่ไม่ให้ทำบาปก็ต่อไปก็อาจจะหักข้ามตัวเองไม่ให้ทำบาปได้ เนเดียวครับเราไม่ได้ทำยังไงเราก็ไม่บาปไม่บาปถ้าเราไม่ทำไม่บาปคำถามจากคุณหนองครับปราบธรรมสการ์พระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าวิญญาณลงเล็กว่าผีมีจริงไหมคะบางทีเราสัมผัสบางอย่างได้หรือเราแค่หลอกตัวเองคะคือผีคือวิญญาณนี่พวกเราทุกคนนีด้วยกันทุกคนคือ ต, ตอนนี้เราเรียกยวิญญาณว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิดอย่างที่เรากำลังพูด คุยกันอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายพูดและฟังต่างๆสิ่งต่างๆผู้ที่รับรู้จริงๆก็คือจิตหรือใจในเวลาร่างกายตายไปจิตหรือใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปซึ่งดวงวิญญาณบางดวงอาจจะมาเยี่ยมเยินคนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ ด้วอาจจะส่งสัญญาณในบางลักษณะอาจจะมีเสียงดังมีอะไรมีแสงมีสีก็ได้หรืออาจจะเป็นความหลอกของของผู้ผู้เห็นเองก็ได้มันเป็นบบได้ทั้งสองอย่างงั้นก็ต้องต้องรู้จักแยกเนี่ยว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นโยง ว, วิญญาณจริงเราน่าจะสามารถคุยกับเขาได้ถามเขาได้ว่าต้องการอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ แต่ถ้าเป็นสิ่งแว บ, บๆแล้วาหายไปนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นความหลอนของจิตใจเแลของเราเียมากกว่าคำถามจากคุณจุธารัตน์ครับกราบธัรมทศกาณ์ค่ะพระอาจารย์เราจะสวดมนต์อย่างไรให้มีสติคะถ้าสวดมนต์แล้วจิตว่างแสดงว่ามีสติแล้วใช่ไหมคะกราบสาธุค่ะใช่ถ้าจิตว่างจากความคิดปุมงแต่า ง, างก็แสดงว่าสวดด้วยสติถ้าสวดไปแล้วความคิดต่างๆยังไม่หมดไปนั่ถือว่า ส่วนแบบไม่มีสติคำถามจากคุณอ่อนครับกราบอันพัสการและขอสอบถามค่ะถ้าตอนเด็กเราเจตนาฆ่าสัตว์โดยที่ยังไม่รู้จักเวรกรรมจะทําให้เรารับผลบาปจากการกระทําไหมคะได้ถ้าเรามีเจตนาก็ถือว่าเราเราเราได้กระทําบาปแล้วถึงแม้จะไม่รู้เรื่องเวรกรรมต่างๆก็ตามแต่ต่อไปถ้าเราได้เรียนรู้วเราก็อาจจะฝืน ทุกครั้งที่เราอยากจะทำบาปเราก็อาจจะยับยั้งตอบไปได้จากคุณชงรงชนกครับกาพระาอาจารย์ถ้าลูกไม่สนใจเราถือว่าเราทำกรรมอะไรไว้เจ้าคะไม่หรอกมันเป็นเรื่องของลูกเขาเขาอาจจะไม่ชอบเราเขาก็าไม่สนใจเราก็เป็นเรื่องของเขาอาจจะก็ว่าเราอาจจะทำให้เขาไม่พอใจไม่ชอบเราก็ได้ คุณอยากให้เขาสนใจเราเราทําให้เขาทําให้เขาชอบเราทําในสิ่งที่เขารักเขาเก็อย่างได้เราทานี้เขาอาจะคิดถึงเราอยู่เรื่อยๆจากคุณปองพลครับน้องกราดรัฐศาสตรการพระอาจารย์ครับอยากสอบถามพระอาจารย์ครับพระอริอสง์ทําไมท่านถึงรู้จิตของลูกศิษย์ครับว่าคิดอะไรอยู่สงสัยในเรื่องอะไรอยู่ อันนี้ก็ไม่ไเป็นพระอริยสงฆ์ทุกรลกที่มีความสามารถอย่างนี้กนะารอ่านจิตใจของผู้ อ, อื่นนี่ก็เป็นความความสามารถพิเศษซึ่งพระอริยะสงฆ์บางลูกก็จะไม่มีความสามารถอันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลบางท่านนี้มีมีความสามารถพิเศษสามารถอ่านมารยาจิตใจของผู้อื่นได้ก็มีบางท่านก็ไม่สามารถอ่านมารยาจิตของผู้อื่นได้ อาจจะพูดอะไรที่เป็นตรงกับใจของผู้ฟังก็ได้แล้วผู้ฟังก็มาคิดว่ารูจ้จักรู้วาระจิตของตนแต่อาจจะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นเพียงแต่ว่าท่านพูดเรื่องที่ตรงกับใจของเราคิดในขณะนั้นก็ได้คําถามจากคุณอุสรีครับอาจารย์ขา่านหนูเคยโง่เขาหนูเคยคิดปรามาตหลงตามหาบัวเรื่องทองคําช่วยชาติว่าเป็นพระแต่ทําไมยุ่งการเมือง หนูมีดวงตาเห็นทําแล้วหนูรู้สึกผิดมากที่สุดหนูตั้งจิตกราบขอเข้ามาหลวงตาจากใจทางน้ําตาหนูจะบาปมากไหมคะแต่หนูทราบว่าหลวงตาท่านให้อภัยหนูแน่ๆค่ะก็ไม่บาปอะไรการที่เราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในบูคนนั้นก็ทําให้เราไม่เข้าหาท่านไม่ไปแสวงรับความช่วยเหลือจากท่านเดียแต่ถ้าเรามีศรัทธาเราก็เวลาเรามีปัญหาเรื่องเราต้องการ ความแสงสว่างเราก็จะเข้าหาทำได้ทั้งนั้นเองเป็นการปิดกั้นตัวเราเองไม่ให้เราเข้าหาบุคคลที่ที่วิเศษที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยให้เรานี้มีความรู้ความสามารถขึ้นก็ได้จากคุณมาลยครับถ้าเคยทำผิดสีมาทุกข้อแล้วเราจะแก้ไขกรรมเหล่านั้นอย่างไรคะก็อย่าทอีกต่อไปทั้งนั้นเองถ้าเราเคยทาฆ่าสัตว์เราก็เลิกทำ เคยรักทรัพย์เราก็เริ่กทำไปส่วนวิบากของกรรมเก่านี่เราไปลบล้างไม่ได้ก็ต้องเตรียงตัวเทียมใจรับใช้กรรมไปเหมือนกันเราไปกู้เงินของคนอื่นมาเมื่อเรารู้ว่ากู้เงินเขาไม่ดีต้องเป็นหนี้ก็คราวต่อไปเราก็อย่าไปกู้แต่หนี้เก่าเราก็ต้องใช้ครับจากคุณจิรัตครับกราบธรรมสการเจ้าค่ะจิต ด, ดวงเดียวท่องเที่ยวไปขณะที่ทําสมาธิจิตนึกคิดไปเหนือไปใต้ทั่ว ท่องไปบางครั้งพร้อมๆกันหลายๆเรื่องมันเป็นความรู้สึกนึกคิดจิตมีกี่ดวงเจ้าคะดวงเดียวนี่นะแต่มันคิดได้หลายเรื่องคิดเรื่องนี้ปั๊บก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อคิดเรื่องนั้นต่อไปคิดเรื่องนู้นต่อคิดไปถ้าบอกเป็นเหมือนลิงอะลิงที่มันมันมันจับกิ่งไม้มันมันมันโหนไปจากกิ่งนี้ก็ไปเก่งนั้นจากกินงนั้นก็ไปเก่งนู้นมันก็จะฝากคิดของเราก็เป็นแบบนี้ถ้าเอาไม่มีสติคอยยุดคอยหยุดมัน แต่คุณปองพลครับอยากสอบถามอีกข้อครับพระอาจารย์บุญที่ดูแลพระอาหารหันต์ที่บ้านกระตันยูต่อท่านถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็เป็นบุญในระดับของการให้ทานก็เป็นเป็นบุญที่สูงสุดก็ว่าได้เพราะว่าพ่อแม่นี้เป็นพวกที่มีพรบคุณต่เราเป็นอย่างมากถ้าเราได้ทําบุญกับพ่อแม่ยูแลพ่อแม่ยิ่งดูพ่อแม่อย่างดีก็ถือว่าได้บุญมาก แต่ยังมีบุญอย่างอื่นที่มากกว่าเช่นบุญที่เกิดจากการรับสาศีนบุญที่เกิดจากการฝึกสมาธิปัญญานี่ยังเป็นบุญที่มากกว่าเนันระรระดับกันเป็นบัคนค็ระระดับกันครับคําถามจากคุณวีนาครับกราบนานราสการขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์คนที่ทําบาปฆ่าสัตว์หรือทําแท้งต้องแก้ยังไงในการแก้บาปคะคือบาปที่ทําไปแล้วแก้ไม่ได้ครับ ต้องรอรับผลบาปที่แก้ได้คือบาปบาปใหม่ถ้าเราไม่ทําบาปใหม่มันก็จะไม่มีผลถึงเรายพยายามอยากไปทําบาปใหม่แล้วก็ยอมรับสภาพว่าบาปเก่าที่เราทํานี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องรับผลมันต่อไปเราอาจจะถูกเข้าทําแท้งเราบ้างอาจจะไปเกิดอยู่ในท้องแม่แล้วก็ถูกเอาออกไปอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับกับความเป็นจริง แต่ถ้าเราไม่ทํามันก็จะไม่มีถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทําต่อไปมันก็จะไม่มีนอกจากที่เราใช้บาปเก่าเปหมดแล้บาปบาปใหม่ไม่มีผลของบาปใหม่ก็จะไม่ปรากฏกับเราอีกต่อไปคําถามจากคุณปุ้ยครับกาเปลียนถามพระอาจารย์ค่ะคําอารัธนาในขณะนั่งสมาธิที่ทําให้มีสมาธิใช้บทไหนคะมนไม่มีหรอกไม่ใช้สติตัวเดียว วันนั่งก็พุทธพุทธไปเมื่อวสวดมนต์ไปก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการที่จะทำให้เรามีสมาธิขึ้นมาได้คุณประยงครับการเริ่มนั่งสมาธิครั้งแรกเราสามารถนั่งเองเลยได้ไหมคะคือฝึกสติด้วยตัวเองหรือว่าต้องไปกราบหาใครเป็นครูบาอาจารย์ก่อน อ, อ๋อนั่งได้เลยถ้าเรารู้จักวิธีนั่งก็นั่งได้ไหนนั่งที่ไหนก็ได้แต่ที่ที่ดีก็คือนั่งในที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนเรา จากคุณเตเต้ครับรบกวนพระอาจารย์อีกข้อค่ะแอบสงสัยเรื่ององคุลิมานค่ะที่เพียงได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จพระอาหารหันต์หลุดจากการเวียนว่ายได้แบบนี้ไม่จำเป็นต้องได้สมาธิแต่ได้ปัญญาเพียงเดียวก็บรรลุดได้ใช่ไหมคะอันนี้เวลาเราฟังนี่มันอาจจะเป็นการรวบลัดคือองคุลีมานนี่เห็นเผ็ดนะแล้วก็คิดว่าการฆ่าผู้นี่จะทให้ตนรยุธรร ชั้นสูงได้แต่พอเจอพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าบอกว่าไม่ใช่เป็นการบรรลุธรรมชั้นสูงการบรรลุธรรมชั้นสูงนี้ต้องฆ่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงในวิธีที่จะฆ่าก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เขาจะรวมได้ว่าพอกนเรามาฟังแล้วเข้าใจก็น้อมรับคำสอนพุทธเจ้าไปปฏิบัตินี่จะปฏิบัติชาเรี่รนนี้เขาไม่ได้บรรยายไว้ มาบรรลุทันทีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นราอาจะนราอาจะสรุปว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้ว่าเขาไม่ได้บอกพอป<ช><อ>ริมาณรับทราบว่าต้องฆ่ากิเลสตัณหาแล้วบรรลุเป็นพระแลได้ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าองค์ปริมาณมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์พร้อมที่จะมีกาลังที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้ก็บรรลุเป็นพระนะ อาจจะมีศีลมาก่อนเนี่ยมีศีลสมาธิมาก่อนต้องมีต้องมีศีลสมาธิมาก่อนอาจจะขาดปัญญาปัญญาไปหลงผิดไปเห็นว่าฆ่าคนอื่นแล้วจะบรรลุธรรมขั้นสูงพอเปลี่ยนให้เปลี่ยนฆ่ากิเลสแล้วกมาณหยุดความโลกความโกรความลงก็บรรลุเป้าแล้วได้ทันทีครับคําถามจากคุณหมาตุ้ยครับมีคนฝันเห็นพ่อที่เสียไปแล้วบ่อยๆแต่เรากลับไม่ฝันเลยหมายถึงยังห่วงอะไรหรือเปล่าคะก็อยู่ที่คนฝันนะ คนฝันคิดถึงก็จะฝันบ่อยคนที่ไม่คิดถึงก็ไม่ฝันบ่อยจากคุณรุชยาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ทําไมเวลาเดินจงกรมมักจะหาวตลอดไม่ได้รู้สึกง่วงแต่พอนั่งสมาธิก็ไม่มีอาการหาวเลยเป็นแบบนี้เสมอๆคะ่ะน่าจะเพราะเหตุใดคะก็ไม <CH> ่ทราบเหมือนกันก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันถ้ามันไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเราก็ไม่ทําไปสนใจ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ชอบการเดินนุ่งวันเดินก็เลยเกิดอาการหาว ต, ต่อต้านขึ้นมาแต่พอเวลามานั่งมันก็ไม่หาวก็ดาเพระเราชอบนั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตของเราแต่เราก็อย่าให้มันมารบกวนการปฏิบัติของเราเพิเ่มคำถามจากคุณตุ๊กครับถ้านั่งสมาธิบนเก้าอี้จะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมคะนั่งสมาธินี้บรรลุธรรมไม่ได้เพราะจะนั่งตรงไหน นั่งสมาธินี้ก็เพื่อทาใจให้สับทําใจให้เน่งการจะบรรลุธรรมได้นี้ต้องเจริญปัญญาต้องเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถึงจะบรรลุธรรมได้เรื่การบรรลุธรรมนี้จะนั่งอยู่ในนั่งถ้านั่งสมาธิก็ได้อยู่ในท่าเลยก็ได้ถ้าหยืยในก็ได้พราะเราสามารถชินได้ในทุกปีญญาคิดทำปัญญาได้ในทั้งทุกปีญญา แในการจะ ท, าทําสมาธิให้จิตเป็นฌานนี้ต้องอยู่ในท่าน้าเพียงอย่างเดียวจากคุณแอร์โฮมครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้ามีคนสาบแช่งเราจากการที่เราไปทําให้เขาไม่พอใจโดยที่เราอาจไม่ได้ตั้งใจเราจะบาปไหมครับไม่บาปเราถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายไปทำให้เขาเสียหายต้องมีเจตนาและต้องมีการกระทําและมีผลมีความเสียหายเกิดขึ้นถึงจะคือว่าเป็นบาป มีสมส่วนบาปถึงสมบูรณ์คือหนึ่งตั้งใจที่จะไปทําให้เขาเสียหายแล้วก็ไปกระทําในการกระทําที่ทําให้เขาเสียหายมีผลของการกระทําว่าทําให้เขาเสียหายอันนั้นนบาปถึงจะถึงจสมบูรณ์จักคุณเกรียงศักด์ครับกราบน้ัพสการท่านอาจารย์ขอถามว่าการมีเมตตาเหมือนพระโพ ธ, ธิสัตว์ของคารวาะจะทําให้ขวางการบําเพ็ญให้เกิดดวงตาเห็นธรรมไหมครับไม่หรอก แต่ว่าถ้าเราทำแต่เมตตาอย่างเดียวเราไม่ไปทำอุเบกขามันก็เป็นการขวางเพราะว่า ท, ที่เราให้เราบรรลุนี้นอกจากเมตตาแล้วก็ต้องมีอุเบกขาด้วยเ้นเวลาเราเราเจะเรยียเมตตาแล้วเราก็ต้องมาจะเรยียอุเบกขาสลับกันไปเวลาที่เราอยู่คนเดียวไม่มีภา ร, รกิจที่ต้องไปช่อยเหลือใครแล้วก็มันน่าสมาธิทำใจให้สงบกัน แล้วต่อไปก็จะทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ครับจากคุณมาลัยครับการแชร์ธรรมะได้บุญไหมคะได้ก็เป็นการธรรมทานเนี่ยการทําทําบุญด้วยธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปกเพราะธรรมะนี่มีคุณประโยชน์มากกว่าสิ่งตา่างๆทั้งหลายนั่นเองให้ธรรมะก็ทําให้ผู้ที่ได้ธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมที่จะทําให้เขาเหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ แต่สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่เป็นอะไรไม่สามารถทำให้บุญทนจากความทุกข์ได้คาถามจากคุณเบนจะาครับกราบมัสการพระอาจารย์ค่ะตอนนี้เริ่มฝึกนั่งสมาธิให้ใจไม่ฟุ้งซ่านพอนั่งไปได้สักพักจะเหมือนกับมีความสว่างข า, ขาวๆค่ะอันนี้เกิดจากเราคิดไปเองหรือไม่คะสาธุ ค, ค่ะถ้ามันเกิดก็ให้รู้ว่ามันเกิดไม่ต้องไปกัวงวลว่ามันเกิดจากอะไร ใหยเรามีสติอยู่กับการภาวนาของเราต่อไปถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปนสนใจกับแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นมาถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปเพราะอันนี้เป็นเป็นผลถอยได้เป็นผลชั่วคราวพราผลผลหลักผลที่เราจะเข้าถึงต่อไปก็คือความว่างความสางบของจิตถ้าเรามามัวสนใจกับความสว่างแล้วมานั่งนึกคิดว่ามันเกิดจากอะไรจริงหรือไม่จริงมันก็จะทาให้เราขาด การเจริญภาวานาเราก็จะไม่ได้ดูลมไม่ได้พุทโธเราก็จะไม่สามารถไปสู่ถึงจุดหมายที่เราต้องการจะไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาเราให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจทําต่อไปคําถามจากคุณอาภาศีแต่เหมือนเขียนไม่ครบนะครับรอาจารย์ครับนรัมสการพระอาจารย์สุ ช, ชาติฉันควรเริ่มถามด้วยคําว่าปุจฉาไหมคะ อ่า น, นั้นก็คือปวดฉานะครับถ้าเป็นคนที่ประสาทัยจะทําให้การนั่งสมาธิเป็นได้ยากหรือง่ายคะตัวอย่างเช่นนั่งทํางานพิมพ์คอมแต่ก็สามารถพูดโทรศัพท์ได้ประมาณเนี้ยครับอาจารย์อ๋อยิ่แสดงว่าจิตเนี่ไม่สงบนจิตเนี่ยคิดมากทํางานอะไรได้หลาย อ, อย่างว่ามอมกันมกัการจะทําให้จิตสงบก็อาจจะยากว่าคนที่ออไม่ไวัยคนที่อยู่กับเรื่องเดียวได้ งั้นก็ไม่เป็นตัญหาอะไรเพราะสามารถใช้สตินี้ทําให้จิตมันนิ่งเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันงั้นเวลาเราจะนั่งสมาธิก็ให้บังคับจิตให้ดูลมไปอย่างเดียวหรือพุทโธไปอย่างเดียวให้ได้เท่านั้นเองระาบังคับได้จิตก็จะสามารถเข้าสมาธิได้คําถามจากคุณชัดชพงครับการที่เราทําบุญทําทานทุกวันเช่นบริจาคเงินโรงพยาบาลสง์ เวลาที่เราใกล้จะตายจิตสุดท้ายเราจะเห็นบุญเหล่านี้ที่เราทําไหมครับคือบุญมันคือความสุขใจมันก็อยู่อยู่กับใจของเราไปเรื่อยๆเวลาเราตายบุญที่เราทําหล่านี้มันก็ยังอยู่กับใจให้ความสุขกับใจเราอยู่ทำให้เวลาเราตายเราอาจจะไม่ค่อยถูกข์เนกับคนที่ไม่ได้ทำบุญคําถามจากคุณน้องนุชครับกราบด้านพระสการพระอาจารย์ค่ะและสวัสดีคุณหมอค่ะมีคนฝากเงินเรามาทําบุญ เราโอนเงินให้ทางวัดโดยบอกชื่อเจ้าของเงินไปด้วยแต่ทางวัดใส่ชื่อเราเป็นผู้ร่วมทําบุญเราจะบาปไหมคะเ อ, อ๋อไม่บาปเพราะว่าทางวัดเขาอาจจะไมออ่ไม่ไม่ท ร, ราบเขาว่าเคยใส่ชื่อของเราเข้าไปมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่ใครเป็นผู้เสียสละนพอที่เสียสละนั้นจะได้บุญถึงแม้ว่าจะไม่มีการประกาศชื่อให้ผู้ได้รับทราบก็ตามตรงนี้ว่าเหมือนกับเป็นการปิดทองหลังพาะนะไม่มีใครรู้ แต่ผู้ทำน่ะรู้ว่าตนเองได้เสีย ส, สละได้แบ่งปันและเกิดความสุขจากการเสียสละแบ่งปันนั้นแล้วก็ใช้ได้คําถามจากคุณนัทครับเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราบรรลุธรรมขั้นไหนแล้วเช่นห <c oughs> ากเราบรรลุสดาบันแล้วมรรคผลจะเป็นอย่างไรคะก็ <c oughs> เราจะรู้ภายในใจว่าเราไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราอยากจะรู้จริงๆให้มันละเอียดเราก็ต้องศึกษาจากพระตไตรปิฎกว่า พระสโสดาบันี้ท่านไม่ทุกข์กับอะไรบ้างพรสโสดาบานันท่านก็ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความตายของร่างกายพระสโสดาบันนี้ท่านไม่สงสัยในเรื่องการรักษาศีลว่ามี ม, มีมีความจําเป็นอย่างไรท่านจะไม่ลูกคําศีลท่านจะไม่ไปแก้ปัญหาโดยการปทํา พิธีกรรมอะไรต่างๆเพราะท่านรู้ว่าปัญหาเกิดจากการกระทําผิดทําบาปของท่านเองท่านยังมาแก้ที่การรักษาศีลและท่านก็ยังไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นพระโสดาบันบางท่านอ่านไม่ได้อ่านตําราไม่รู้ตําราแต่ในใจท่านก็มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่แต่ท่านก็ไม่รู้ชื่อของมันว่าเป็นอย่างไรว่าเป็นโสดาบันเป็นอย่างนี้แต่ในใจของท่านก็ไม่มีความทุกข์กับความเจ็บ ความแก่ความตายของร่างกายไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าไม่สงสัยในเรื่องศีลจะทำว่าเป็นเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดในอบายหรือไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านจะรู้เองโดยที่ไม่ต้องศึกษาตาําราแต่ถ้ามาศึกษาตำราก็จะ <c oughs> เรียนรู้ว่าอ๋อขั้นนี้เขามีชื่ออย่างนี้อย่างนี้การไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายนี้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้ท่านนั้นเอง คุณอินาฟพีเพิลครับกราบธรรมสการพระอาจารย์ขาปล่อยวางกับยอมแพ้ต่างกันยังไงคะคือปล่อยวางก็คือไม่ไปแบกมัไนไงไม่เอามาเอาไม่เอาเรื่องมาทําให้เราต้องทุกข์ใจวุ่นวายใจนีไม่ได้เกี่ยวกับการยอมแพ้นี่ก็มันก็แล้วแต่ว่ามันในกรณีใดยอมแพ้อย่างไรการปล่อยวางนี่เป็นการที่เราจะไม่ต้องการที่จะเอาเรื่อง มาาใใจของเรเรคำถามจากคุณวีนาครับกับเรียนขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าการนั่งสมาธิกับการเจริญสติเหมือนกันใช่ไหมคะหรือต่างกันควรนั่งสมาธินานกี่ชั่วโมงคะที่จะได้ได้ผลเจ้าคะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะคือการเจริญสตินี้เป็นเป็นขั้นที่เนี่ยก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องมีสติก่อน ถ้ไม่มีสตินั่งสมาธิใจก็ไม่สงบเพราะใจไม่มีสติคอยควบคุมความคิดนั่นเองคอยหยุดความคิดนั้นการที่เราจะนั่งสมาธิให้ได้ผลคือทําจิตให้นิง่งให้สงบ ใ, ให้มีอุเบขาเราต้องเจริญสติก่อนฝึกสติก่อนด้วยการใช้กรรมฐานเช่นคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธด้วยการข้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอันนี้ฝึกไปเรียกว่าเป็นการเจริญสติ แล้วพอเรามีสติควบคุมใจไม่ให้ไปรอยไป้อยมากับความคิดต่างๆได้เราก็มานั่งหลับตาเรียกว่านั่งสมาธิถ้ามีสติจดจ่อให้ใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งไม่ไปคิดเรื่อไหนคิดเรื่องราวต่างๆใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาจากคุณแบล็ b บ u ัชครับการเมตสการถามค่ะเคยบอกกล่าวลูกศิษย์วัดให้มาเอาของที่บ้านอยากถวายวัด ลูกศิษย์วัดไม่มาเอาภายหลังตัวเองได้ขายสิ่งนั้นไปไม่ทราบว่าจะบาปไหมครับอาจารย์ไม่บาปครับเพียงแต่วันจะไม่ได้บุญนั้นเลงจกักุลอนั ญ, ญญาครับถ้าเราแค่แอบชอบใครแต่ไม่ได้ทําผิดศีลข้อใดแค่ชูทางใจนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่ก็ไม่ควรเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นถ้าชินบ่อยๆเนี่ยมันจะหาข้ามใจไม่อยู่แล้วก็จะไปทําบาปต่อไปได้ ถ้ามันิ่มคิดแบนี้ก็ต้องพยายามหยุดมันเสียอยากปมันไะคิดคิดไปเรื่อยๆรเดี๋ยวมันก็จะกล า, ายเป็นไฟที่ลุกกองใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็จะลามไปทางการกระทาท า, า, าทานวาจาทานทางร่างกายต่อไปจากคุณยศสวัสด์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ช่วยสอนเพราะแฟนชอบพูดว่าชาติหน้าไม่ขอเกิดจะไปนิพพานแต่ไม่เห็นเขาปฏิบัติอะไรที่จะทาให้ได้ไปนิพพานขาครับ <laughs> ่พูดได้หะือพูดได้แต่ไม่ไม่ทําไม่ได้นันจะไปไม่ไปไม่ได้อยู่ที่การการพูดอยู่ที่การกระทําของเราเขาบอกก็เสิว่าถ้าคุณอยากไปนิพพานคุณก็ต้องเวียนบูชีปฏิบัติทําไปอยู่วัดแยกกับผมงี้คุณก็จะไปนิพพานได้แต่ถ้าคุณยังอยู่กับผมคุณยังหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่ตอนให้คุณพูดอย่างไงคุณก็ไปนิพพานไม่ได้แต่คุณอาทิตย์ครับ กลับธรรมสถานพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิกําหนดพุโทโธแต่ยังมีภาพติดตามาจากชีวิตประจําวันคอยรบกวนทั้งที่ยังกําหนดพุโทโธมีเทคนิคการแก้อย่างไรครับถ้าพุโทโธไม่ได้มีเรื่องราว ต, ต่างๆเข้ามาก็ลองมาสวดมนต์ดูแทสนสวดตามสวดมนต์อาจจะทําให้เรานี้มีเรื่องที่เราจะต้องจดจ่อมากกว่าพุโทโธก็จะช่วยทําให้เราต้องมีความพยายามที่จะ สวดความพยายามที่ทําให้เราต้องสวดจดจ่ออยู่กับการสวดมันก็จะทําให้เรื่องภาพต่างๆที่ติดตามมันน้อยลงไปก็ได้สวดไปก่อนจนรู้สึกว่าภาพต่างๆมันจางหายไปแล้วอ่อยกลับมาพูดโทษต่อจากคุณแพทครับการตกปลาปูเป็นบาปใช่ไหมคะถ้าได้มาทําให้มันตายก็บาปถ้าตกปลาแล้วไม่ได้ก็ไม่บาป <c oughs> จากคุณโคลินแอนครับขอบคุณคุณหมอและพระ อ, อาจารย์ค่ะอีกคำถามนะคะที่วัดยานรับผู้หญิงบวชชีไหมคะรับบวชชัวครครับเช่นมาบวชเป็นพรามได้คําว่าเจดวันนุ่ค้ามขาวอยู่ปฏิบัติธรรมถือสิ่งตางได้คําว่าไม่เกินเจวันคำถามครับคุณหมอพุทธศาสนิกชนควรส ว, วดมนต์บทไหนบ้างครับช่วงนี้ คือบทสวดมนต์ี้สวดได้ทุกบทแล้วแต่เราอชอบบทใหนแล้วก็สวดได้การสวดมนต์นี้เป็นการฝึกสติให้ใจเราเบ า, ใ ห, ใ, เ า, เบาให้ใจเราเย็ยนให้ใจเราสบายดังนั้นเลือกสวดตามตามความพอใจชอบบทไหนก็สวดบทนั้นไปจากคุณยุพาครับเอาใบกระท่อมไปถวายพระบาปไหมคะเพราะพระบอกว่าความดันสู่หายเบาหวานเบาลงบาปไหมคะ ถ้าเป็นยาก็ไม่น่าจะเป็นบาปนะถ้าใช้เป็นยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายก็ไม่บาปแต่ถ้าให้ท่านไปเพลิดเพลินไปมีความสุขการใส่กระ่องอย่างนี้ก็ถือว่า <S <s ถือว่าไม่บาปแต่ก็ไม่ควรจะกระทำเราไปสนับสนุนใ ห, ให้ท่านทำผิดสีลให้ท่านเหมือนกาไปเสพสุราอย่างนี้ จากคุณวิรัชดาครับตั้งแต่เด็กสงสัยว่าเรามีจริงหรือไม่จนได้คําตอบจากพระพุทธองค์ปัจจุบันเมื่อมีความคิดรู้สึกจากระลึกว่าเป็นกฏปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เราหากเราจะเริ่มนั่งสมาธิด้วยตนเองทําได้หรือไม่หรือต้องไปวัดหาครูก่อนคะถ้าเรารู้จักวิธีนั่งเราทําเองได้เลยถ้าเราไม่รู้วิธีก็ต้องไปหาครูสอนเหมือนการทําอะไรต่างๆในรโอกนี้ถ้าเราทําเองได้เราก็ไม่ต้องมีครู ถ้าเราทําเองไม่ได้เราก็ต้องไปหาครูมาสอนเราแต่คุณวินครับขออนุญาตถามนะครับการฆ่าคนในเกมถือเป็นบาปไหมครับ อ, อไม่เป็นหรอกมันเป็นเรื่องของจินตนาการออแต่ก็ไม่ควรกระทําเพราะว่ามันอาจจะนําไปสู่การกระทําที่เป็นจริงต่อไปก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเพราะโควิดเราจะทําจิตยังไงให้นิ่งครับอาจารย์ครับเพราะนั่นหลาเราก็ต้องรู้จัก ฝึกสติไว้ก่อนนะถ้าเราฝึกสติมีสติเราก็ควบคุมจิตให้นิ่งได้เวลาเราจะตายแล้วก็ดูดูมหายใจไปอยากปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะตายอย่างสมมงบได้คสามทุ่มครึ้นแล้วผมขอแถมอีกสักสามคำถามนะครับอาจารย์ครับได้เชิญเลยจากคุณนัทวุฒิครับกลาวธรรมการ์ครับผมสวดมนต์แล้วชอบม่วงนอนครับจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับ ก็นอนก่อนแล้ค่อยเวลาไม่ง่วงค่อยขับมาสวดก็ได้ถ้าสวดตอนที่มันง่วงก็จะง่วงเนีย่ยนะฮเวลาสวดที่มันไม่ง่วงก็ได้แทน๋ยวไปสวดตอนที่มันจะง่วง้องเป็นเวลาใหม่จากคุณสุริยาครับการบริกา ร, รพุทโธตอนนั่งสมาธิจําเป็นต้องใช้จิตจินตนาการถึงคําว่าพุทโธให้ชัดเจนเวลานั่งสมาธิไหมครับหรือแค่วางจิตให้สบายไม่เพ่งอันไหนจะเข้าสมาธิได้เร็วกว่ากัน ก็ให้ให้บริกรรมคือให้ท่อพุโทโธไปเรื่อยๆเท่านั้นเองไม่ต้องเพง่งไม่ต้องอะไรให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเท่านั้นเองคุณธนาทิตครับนัสการพระคุณเจ้าถามว่าการปล่อยเงินกู้โดยที่เขามาขอร้องและเสนอดอกเบี้ยให้เองเป็นบาปไหมคะไม่บาปเราเป็นธุรกิจนะเป็นการซื้อขายเงินก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเขาขอมาซื้อเงินแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาคืนเรา อันนี้ก็เป็นการเป็นการทำธุรกรรมส่วนดอกเบีย้ยนั้นจะสูงย่างตางนี้ก็อยู่ที่เขาถ้าเราไปคิดดอกเบีย้ยสูงมากก็ถือว่าเราโลภเราขาดความเมตตาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราคิดดอกเบีย้ยตามที่เขามีทั่วไปก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความโลภหรือเป็นความไม่เมตตาในอย่างใดในเหมือนกับการบริการสินค้าเชนิดหนึง่งมันเอาเป็น เช่ารถยนต์มาแล้วก็ต้องจ่ายค่ารถยนต์แล้วนี่ไปเช่าเงินมาเราก็ต้องจ่ายค่าค่าเช่าเงินมาเวลาเราไปโกงเงินนั่นเองครับในคําถามสุดท้ายนะครับจากคุณวีนาครับกราบขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์ข้อนี้ถามสําหรับตนเองหนูเป็นคนโสดเป็นการดีกว่าไม่แต่งงานใช่ไหมคะแปลว่าเราไม่ได้มาใช้กรรมต้องร่วมทุกข์สุขกับใครใช่ไหมคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ อยู่คนเดียวได้มันย่อมดีกว่า อ, อยู่กับหลายคนเพราะเมา่มีคู่มีครองมีครอบครัวมันก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะต้องห่วงคนนั้นห่วงคนนี้แล้วเวลาเกิดการพลาดพลาดจากการก็จะเกิดความทุกข์เช่นเดียวกันแตถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวเหานี้หมดแล้วฉันมีคำถามจริงๆคำถามมีเยอะเลยครับอาจารย์ครับแต่หมเวลาหมเวลาครับอาจารย์ผมขอโอกาสอาจารย์สรุปตัวเลขนะครับ มีคนดูจาก Facebook ทั้งของพระอาจารย์ของคลินิกผมแล้วก็ส่วนตัวนะครับ Facebook นี่ดูกันเก้าร้อยสองคนนะครับแล้วก็ใน youtube พระอาจารย์และ youtube ของผมรวมกันแปดร้อยสิบแปดคนคลับเฮาส์สิบคนนะครับวันนี้มีคนที่ฟังธรรมร่วมกันหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบคนนะครับพระอาจารย์ถามเออรสึกความมากขึ้นตามลำดับนะข้ามดีใจยินดีที่ทุกคนให้ความสนใจต่อธรรมเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ากว่าธรรมของพระพุทธเจ้า มีธรรมแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ท่นก็ขอให้ท่านพยายามยินดีกับการบำเพ็ญบุญธรรมไปเรื่อยๆพอจะนําความสุขความเจริญมาให้กับจิตใจของท่านต่อไปก็เวลาก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านทรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปคิด พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอา ลาไปก่อนน <miserable. S 3> ะ, ระ emperor, ครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับหวัสดีนะครับธรรมธการครับผม